บทที่113ครั้นแล้วทั้งหมดก็บรรลุถึงตีนเนินของภูเขาหินท้งลูกอันเป็นตำแหน่งที่ชายยันและมาเรียเคยหลงเข้าไปติดอยู่ภายในห้องสุสานข้างใต้ขณะที่ใกล้ชิดปากทางอันมีลักษณะเป็นช่วงขาในท่าหมอบของสิงโตเข้ามาต่างสังเกตเห็นฝุงแรงที่กำลังบินว่อนแตกตื่นเหล่านั้นอย่างถนัดเนื้อทองฟ้าไหลเนินด้านซ้าย พวกนั้นคงจะตกใจเสียงปืนที่คณะของเชิฐาโรมรันกับเจ้าแร่ใจกลางทุ่งเมื่อครูน่นี้และโผบินว่อนควักควายไปหมดแต่ก็ไม่ยอมพละห่างออกไปจากบริเวณที่มันป้วนเปียนอยู่ก่อนแล้วใครจะยังติดใจอยู่กระซากเหยื่อที่มันกําลังรุมกินกันอยู่นั้นเ <c oughs> มื่อเข้ามาเห็นในระยะใกล้เช่นนี้รูปร่างหน้าตาของมันทําให้สังเกตได้อย่างถนัดเป็นแรงขนาดใหญ่พันไก่งวงทั้งสิน้นแต่ละตัวขนาดย่อมที่สุดก็เท่าหาน พวกมันส่งเสียงร้องวุ่นวายแท้สั่ไปหมดหลายตัวโฉบถลาร่อนลงกับพื้นภายใต้ซอกกำบังของก้อนหินที่เดิมลหลายตัวก็บินพลูขึ้นมาสับสนอลมามนทั่วบริเวณระดับไหลเนินตอนนั้นมันสูงขึ้นไปไม่มากนะักทุกคนเงียบกริบเคลื่อนที่เลี่ยงปากทางเข้าส่สารตามการนำของระพินอ้อมเลาะเนินออกทรายมือตาทุกคู่จับมองอยู่ที่ฝูงแรงเหล่านั้น ด้วยความรู้สึกอันไม่อาจบรรยายถูกชา ย, ยันแอบกระซิบกับมาเรียผู้เดินอยู่ข้างๆเบาที่สุดว่าไม่รู้ว่าเราจะเป็นเหยื่อไอ้พวกนี้เมื่อไหร่ในอนาคตข้างหน้าอาจเป็นพรุ่งนี้หรือมะรือนก็ได้ใครจะรู้แต่ตายก็ไม่มีอะไรจะต้องกังวลมาเรียกระซิบตอบเช่นกันจอมพลันนาเดินเลาะไปตามพื้นอันเป็นหินครุกรักสูงสูงต่างๆนั้น บ่ายหน้าไปทางด้านที่เขากระเชิดถาช่วยกันวางระเบิดแหกปากทางใต้ซอกหินช่วยช่วยชยันกมามเรียออกมารอยระเบิดและกองหินทลายยังสังเกตเห็นได้ชัดรวมทั้งช่องที่โวเป็นโพรงลึกเข้าไปใต้ฐานสังเนินต่างอดไม่ได้ที่จะช้ำเลืองไปที่ช่องระเบิดนั้นโดยเฉพาะชายันกมามเรียมองสบตากันอีกครั้งพร้อมทางระลึกถึงเหตุการณ์คับขันในอดีตที่เกือบจะติดตายอยู่ด้วยกันภายใต้สุสานแห่งนี้ ยิ่งอ้อมเนินออกทางด้านซ้ายห่างปากทางเข้าสุสานโบราณออกมามากเท่าไรก็ยิ่งใกล้บริเวณที่เจ้าแรงไก่งวงพวกนั้นบินร่อนอยู่บนไหลตอนบนมากขึ้นเพียงนั้นระพินลดสีเท้าให้ชาเลเขาไม่สนใจกะแรงพวกนั้นหากแต่พยายามกว่าตาเหลียวกลับไปมองยังบริเวณทุ่งโล่งที่แวดล้อมอยู่รอบได้และเห็นทิวขเขาตั้งเป็นแนวขอบกำแพงอยู่ทั่วไปลิบลิสุดสายตา ซากกองหินนั้นเป็นมหาวิหารของนครในอดีตบัตเน้แลหหินแัดกองเด่นอยู่ในพื้นทุ่งสีเขียวเบื้องล่างทันใดนั่นเองแง้ซ้ายกับขยินที่หาของเดินนำไปล่วงหน้าก็มาหยุดชะงักอยู่ที่ตีเนินตอนหนึ่งแวดล้อมไปด้วยก้อนหินขนาดเคืองๆที่กลิ้งกราดเกลื่อนอยู่เสียงองค์ครักษ์พิเศษของดารินกับเจ้าอดีตนักเลงโตลมช้างพูดอะไรกันเบาๆพลางแง้หน้ามองขึ้นไปตามเนินเบื้องสูงเหนือศีสะ ที่มีกลุ่มแรงบินวอดทรงเสียงข่มอยู่ในขณะ น, นี้แล้วขยิงก็หันมาตะโกนเรียกเขาพร้อมกับกวากมือพานใหญ่ตรงเข้าไปทันทีขณะนายจ้างทั้งสี่ก็ปลาตามเข้าไปติดติดสิ่งที่ทุกคนเห็นคือลักษณะของก้อนหินเรื่องๆบางก้อนใหญ่ขนาดตุ่มสามโคบมีร้อยกลิ้งหล่นลงมาจากไหลตอนบนถ้าไม่สังเกตให้ผีทวน อาจคิดแต่เพียงว่าหินเหล่านั้นมันหล่นหรือวางอยู่ตีเนินเก่าแก่มันนานนมแล้วตามธรรมชาติถ้าไม่ใช่เพราะขยิงชี้ให้ดูรอยที่มันหล่นกระแทกระมากับแง่หินที่ลดหล้นลงมามีรอยแตกบินใหม่ๆและต้นไม้เล็กๆสองสามพุ่มที่อาศัยงอกขึ้นปลายอยู่ตามซอกหินถูกกระแทกหักยับเยินกิ่งก้านลำต้นและใบกระจายเรียอยู่ตามแนวทางที่หินเหล่านั้นกลิ้งลงมา เสียงขยินพูดรัวเร็วหรืออยู่กระจอมพรานพร้อมกับชีไม้ชี้มือขึ้นไปข้างบนขณะนายจ้างแม่จะฟังไม่รู้เรื่องนักแต่ก็เดาออกถึงความผิดวิกลที่เห็นอยู่นี้หินพวกนี้เพิ่งจะร่วงหล่นลงมาจากไหลเนินตอนนั้นไม่ใช่หรือผู้กองรพินไทรวันเม้มริมฝีปากนิดหนึง่งตาของเขาจับนิ่งไปยังไหลเนินตอนนั้นตอบเบาๆว่าครับสังเกตจากรอยที่มันทับบนตไม้หักไว รู้สึกว่าจะเพิ่มเมื่อคืนนี้เองครับที่แรกผมก็ไม่อยากสนใจนะักว่าฝูงแรง้งไก่งวงนะั้นมันกำลังกินซากอะไรอยู่แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามีความจําเป็นจะต้องรู้ซะแล้วละครับว่าซากคงจะอยู่บนนั้นไม่สูงมากนะกล่าวจบโดยไม่จาเป็นจะต้องกล่าวชักชวนผู้ร่วมคณะคนใดทั้งสิน้นพรานใหญ่ไต่ขึ้นไปตามทางอันเทลาดประมาณ60องศานั้นทันทีลีกลบเลาะละัดไปตามก้อนหินที่งอกเรียงรายอยู่ทั่วไป ขนทางนั้นนอกจากหมู่ก้อนหินแล้วทางขึ้นโล่งเตียนพอสมควรเพราะปราศจากต้นไม้ขึ้นเป็นป่าบางทางที่จอมพรานใช้ไต่ขึ้นไปเป็นทางไหลเป็นทางไหลของน้ำฝนที่ชะลงมาจากเบื้องบนพื้นเต็มไปด้วยกรวดสีแดงขณะนั้นตะวันสายเริ่มส่องแสงกล้าขึ้นอากาศรอบด้านโปร่งโล่งกระจางแจ้งอยู่ในสั ญ, ญลักษณ์ของทิวากาล เพระหมอกที่ปกคลุมอยู่ทั่วไปแพ่ระเหยกระจายไปหมดแล้วเริ่มอบอ้าวทวีขึ้นไปลำดับแต่ยังไม่ถึงกะร้อนเพราะระดับยอดเขาสูงที่เกินกว่าระดับน้ำทะเลขึ้นมามากเชษฐาสั่งให้พวกลูกหาบวางพักของลงตีนเนินนั่นอีกครั้งแล้วออกคำสั่งให้ทุกคนไปตามพรานใหญ่ขึ้นไปหมดทั้งขบวนโดยมีเขาชายันดารินและมาเรียไล่หลังระพินไปติด บนทางอันลาดชันสูไลเขาที่เห็นฝูงแรงบินว่อนส่งเสียงร้องเอ็ดอึงอยู่นั้นชั่วไม่กี่อึดใจกระพินผู้ล่วงหน้าขึ้นไปก่อนก็ปีนขึ้นไปยืนอยู่บนยอดหินลูกใหญ่ที่โผ ล, ล่ล้ําคอปลายออกมาณนะที่นั้นทุกคนเห็นเขายืนนิ่งจ้องตรงไปยังเบื้องหน้าแล้วหันมาโบกมือเหมือนจะเป็นการเร่งให้พักพวกตามขึ้นมาโดยเร็วฝูงแรงที่ชุมนุมกันอยู่บินพลูขึ้น ท้องฟ้าตอนนั้นดูเหมือนจะดำมืดไปหมดพร้อมกับเสียงปีกพ่กระพืออึ้งอยู่เหนือศีรษะทุกคนกลินาสาดสางของเจ้านกใหญ่ที่เสพซาตายเป็นพักษาหารไปอุตลบลงมาฉุนกึกไปทั่วมาจ้างทั้งสี่ตามขึ้นมาถึงแล้วต่างก็อุทานออกมาด้วยความตกใจต่อภาพที่ปรากฏในคลองจักสุไลเขาบริเวณนั้นเป็นที่ราบโลง่งกว้างใหญ่เนื้อที่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งไร่ ในวงแวดล้อมของก้อนหินสูงสู ง, สงต่ำต่ำซากของสัตว์ใหญ่มาฮื ม, มาชนิดหนึ่งซึ่งขณะนี้ยังไม่มีใครสามารถดูออกว่ามันเป็นสัตว์อะไรกองพเนิร ท, ทึกอยู่ที่นั่นในลักษณะภูเขาเลือดและเนื้อที่ย่อยยับกระรุ่งกระริ่งยากที่จะค้นหาสันฐานลักษณะเดิมของรูปร่างมันได้บางส่วนเห็นกระดูกท่อนขนาดเสาเรือนโผล่ขาวไอแรงฝูงนั้น บางส่วนยังไม่ยอมบินแผลนี้หากแต่กระโดดโยงโยงขยับปีกส่งเสียงร้องอยู่บนซากกันใหญ่โตของภูเขาเหากานั้นพักพวกส่วนใหญ่ก็พากันบินวนอยู่เบื้องบนล้มปีกพัดวูบว่าไปหมดราวกระลมพายุพวกมันทั้งหมดมีอาการเหมือนจะขับไล่กลุม่มนุษย์ให้ล่าถอยออกไปจากอาหารอันโอชะของมันเสียหลายต่อหลายตัวผบินใกล้ลงมาส่งเสียงร้องแสดงท่าทางดูไร้เกลียวกราศไม่น่าไว้ใจนะัก เป็นที่ราคาญยิ่งและไม่มีสมาธิพอจะเพ่พิจารณาอะไรให้ถนัดตาได้เชี่ยถาจึงตะโกนร้องบอกจันซึ่งถือปืนบราวนิ่งลูกซองอยู่ให้ยิงขึ้นฟ้าหนึ่งนะทันทีที่กระสุนลูกซองระเบิดกึกก้องขึ้นฟ้าเจ้าแร้งไก่งวงนับร้อยเหล่านั้นก็บินพลูแตกทันทีหมดแล้วพากันบินขึ้นไปเกาะตามยอดหินสูงรอบด้านส่งเสียงก้า๊กก้าคร่มถมเถใครจะร้องสาดแช่งต่อว่ามนุษย์ ที่เข้ามาขัดขวางความสัญญาณของมันทั้งหมดค่อยๆเคลื่อนตรงเข้าไปยังซากที่เห็นเละเทะกระรุ่งกระเร่นะด้วยความรู้สึกอันสยดสยองพองขนในสภาพความย่อยยับของเนื้อหนังสันฐานที่พอจะเหลือให้กะเข้าโครงรูปร่างของเจ้าสัตว์เครารายได้ก็คือส่วนหางอันมีน้ำแหลมตรงปลายสุดสี่อันน้ำอันหน้ากลัวนี้แต่ละอันยาวใหญ่ขนาดเขาควาย และครีบแข็งบนหลังอีกห7คู่ลักษณะเป็นใบแหลมคมเหมือนใบพายขนาดใหญ่โดยเฉพาะส่วนหัวรู้สึกว่าจะเรียวเล็กผิดส่วนกะลำตัวถูกคมเขี้ยวขยําคบแหลกและช่วงเขาที่สัน้นและลำตัวอันมีสันฐานบนต่ำขนานกับพื้นพอจะบอกได้ว่าเป็นสัตว์ประเภทเลืออ้อยคานเนื้อและเครื่องในของซากกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ ก่อนหินและสิ่งแวดล้อมรอบด้านะล่มทลายระเนระนาดแสดงถึงว่าก่อนจะถึงวาระสุดท้ายได้มีการบุกเข้าจู่โจมเล่นงานจากเจ้าสัตว์ที่มีอำนาจเหนือกว่าและมันคงได้สู้เพื่อป้องกันชีวิตตนเองอย่างสุดริษ์เนื้อหนังที่ถูกฝูงแรงจิตขึงแม้จะเป็นแรงขนาดใหญ่มีจำนวนนับเป็นร้อยก็ดูแตกต่างกับคมเคี้ยวของศัตรูผู้พิชิตมันที่ฉีกกระชากขบขยําและเคี้ยวกินอย่างสดๆร้อน บาดแผลรอยยอยยับเหล่านั้นบ่งได้ชัดถึงพลังมหาศาลและฟันชุดที่คมกริบพร้อมทั้งปากที่กว้างใหญ่หินใหญ่ๆหลายก้อนรอบบริเวณมีรอยพลิกกลิ้งกระจัดกระจายเหมือนมีแทสเตอร์ยักษ์มาขุดขึ้นกระเซ็นเลือดซึ่งบัดนี้กลายเป็นสีคล้ำสาดพรมไปทั่วสภาพของซากตกอยู่ในลักษณะเดียวกับซากไดโนเทเรียมที่ต่างเห็นกันมาแล้วผิดกันแต่ มันไม่ใช่ช้างโบราณที่ถูกยิงตายไว้ก่อนหากแต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์ประเภทหนึ่งซึ่งถูกจูโจมจับฉีกเนื้อกิน ท, ทั้งทั้งที่มีชีวิตอยู่ก่อนถึงวาระสุดท้ายจเจ้าเหยื่อเคราะรารได้สู้จนยิบตาเช่นกันสังเกตได้จากสภาพแวดล้อมอันแหลกเป็นแปลงและแน่ละ่ะหินใหญ่ๆหลายก้อนที่กลิ้งลนจากไหลตอนนี้ลงไปเบื้องล่าง ก็จะต้องเกิดขึ้นเพราะการต่อสู้ฟัดฟาดกันอย่างรุนแรงนั่นเองบัดนี้โดยไม่ต้องมีคำอธิบายเลยทุกคนที่มายืนตะลึงมองภาพต่างก็นึกททยเหตุการณ์ได้หมดถึงที่มาของเสียงซึ่งลอยแววไปให้ได้ยินตอนหัวรุ่งขณะที่อยู่ในปางพักขยินกับสางปาขาสันในขณะที่พรานมือดีของรพินอีกสี่คนยืนจ้องตาค้าง ซากของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ลักษณะแปลกประหลาดไม่เคยเห็นทำความอัศจรรย์งุนงงให้ทุกคนพอดูอยู่แล้วแต่สภาพของมันที่ถูกขยํำกัดกินไว้ยิ่งเป็นภาพที่สยองขวัญมากกว่าดารินขยับริมฝีปากห ม, มุบหมิบแต่ไม่มีใครได้ยินหรือเข้าใจได้ว่าหลอนกำลังพูดอะไรหน้าของหญิงสาวขาวเผือดราดจากสีเลือดแม้แต่หยดเดียวเหมือนคนกาลังจะเป็นลมเชษฐายกมือขึ้นขยี้ตา เพื่อที่จะเพ่งภ้าที่ปรากฏอยู่รอบตัวเขาให้ถนัดว่าไม่ได้ฝันไปชายันนั้นครางออกมาว่าไอ้ ย, ยาแล้วก็นิ่งงันเหมือนถูกสับกระพินไพร์วันเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เดินตรวจบริเวณไปรอบๆซากนั้นอย่างทีท้วนด้วยอาการที่ปกติที่สุดเขากวาดมองดูภูมิประเทศแวดล้อมทุกด้านด้วยสัญชาตญาณอันจัดเจนของพรานแล้วหันไปมองตาท่านหัวหน้าคณะเงียบ เราพบต้นเหตุของเสียงที่ดังไปให้ได้ยินเมื่อตอนหัวรุ่งนี้แล้วครับอย่างบังเอิญที่สุดทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้มีเจตนาจะค้นหามันเลยในที่สุดเขาก็เอ่ยขึ้นเบาเรียบผมกะระยะผิดไปตั้งเกือบเท่าตัวเชียครั้งแรกนึกว่ามันห่างสักสองกิโลจากที่พักของเราแต่เท่าที่เห็นอยู่นี่มันเป็นระยะที่ห่างไกลถึงร่วมสี่กิโลเมตรเชธารีตาลง ขณะที่มองจับนิ่งไปยังซากย่อยยับนั้นมันไปยังไงมายังไงกันนี่พอจะตรวจรอยหาข้าวเงื่อนได้บ้างไหมหระพินไอ้ยักษ์มาหาการมันคงจะแอบซุ่มดักคอยอยู่ก่อนแล้วละครับตรงเวิ้งหน้าผานั่นจอมพรานชี้มือประกอบคำอธิบายส่วนไอ้ตัวที่กลายเป็นเหยื่อนี่เดินมาทางขอบไหลเนินด้านโน้นโดยไม่ได้ฉเฉลียวคิดตือรู้ตัวมาก่อนพอหลวมตัวเข้ามาใกล้ได้ระยะ มันก็ถูกตัวที่ใหญ่กว่ามีอำนาจกว่าบุกเขาเล่นงานทันทีมันก็สู้อย่างทรหดและสุดริษของมันเหมือนกันแต่ผมกล่าวว่ามันไม่เกินภายใน5นาทีเท่านั้นมันก็ถูกฉีกเนื้อออกเป็นชิ้นๆและเขย่ากินอย่างสดๆร้อนๆเสียงขู่คำรามเสียงของการฟัดฟาต่อสู้และเสียงก้อนหินขนาดใหญ่ที่ถล่มร่วงลงไปข้างล่างขณะที่มันฟัดกันดังไปให้เราได้ยินถึงปางพัก บางเอื่นที่นี่สูงกว่าระดับที่พักของเราและอยู่เหนือลมด้วยประกอบกับความเงียบสงัดของป่าตอนใกล้รุ่งจึงได้ยินอย่างถนัดสังเกตไหมครับลักษณะของซากที่ถูกกัดกินไว้เหมือนซากไดโนเทเรียมที่เราพบทุกอย่างกล่าวจบรพินก็สะกิดแขนเชษดาชี้ให้แงนขึ้นไปมองตามชะง่อนหินหน้าผาที่สูงขึ้นไปซึ่งเปื้อนไปด้วยกระเซ็นเลือดและเศษเนื้อ ทุกคนในขณะ น, นี้ยืนและเดินอยู่ท่ามกลางกองเลือดและเศษเนื้อที่ปกคลุมบริเวณไปทั่วกลิ่นคาวและสภาพอันน่าหวาดเสียวสยองใจทำให้หลายต่อหลายคนมีอาการวิงเวียนและอยากจาเจียนชั ย, ยันถึงกระถอนกรูดออกไปยืนสงบนิ่งอยู่คนเดียวข้างก้อนหินใหญ่เพื่อสงบสติอารมณ์และต่อสู้กับความรู้สึกอันอืดผอมดารินเองถึงแม้จะเป็นแพทย์ก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน ค่อยๆเลี่ยงถอยตามเพื่อนชายออกไปด้วยทรานทั้งหมดก็ยืนเหมือนถูกเย็บปากอยู่กลุ่มหนึ่งคงมีหัวหน้าคณะพรานใหญ่และมาเรียเท่านั้นที่เดินตะลุยเข้าไปจนชิดซากของเจ้าสัตว์ประหลาดซึ่งกองอยู่ริมไหล่ห่างจากผนังหน้าผาออกไปาราวสี่สิบเมตรตัวไรนี่เมดนโนเสาประเภทกินพืชเป็นอาหารชนิดหนึ่งค่ะพี่ใหญ่ สเตเกอร์สรัสฉันเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นนะคะพร้อมกับพูดมาเรียใช้ปลายกระบอกไรเฟิลชี้เขี่ยไปที่ครีบรูปใบพายอันแหลมคมมีขนาดใหญ่เท่าใบตาลซึ่งเหลือติดให้เห็นอยู่บนหลังของทราบรูปร่างของมันคล้ายๆตัวลิ่นที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันแต่มีครีบติดอยู่เป็นแนวขนานตั้งแต่ลำคอจรดโคนหางแทนเกราะ บ, บ้องกันตัวและใช้เป็นอาวุธสาหรับการตั้งรับแบบเดียวกับเม่น ก่อนที่ไอ้ยักษ์นั่นจะเอามันอยู่ฉันว่ามันคงเจอครีบรูปใบหอกบนหลังของเจ้าหนี่เลือดสาดไปเหมือนกันเศษหนังและเลือดติดอยู่บนปลายครีบให้เห็นอยู่นั่นพอจะทําให้สันนิษฐานได้ใช่ไหมก็แล้วไอ้ยักษ์นั่นแหละจากข้องรอยที่เห็นชัดอยู่พอจะลงความเห็นได้แน่นอนหรือยังว่ามันคืออะไรระพินถามโดยเร็วรอยยิ้มเหือดเหือดปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากของแมมสาว ตาสีเขียวเหลือบขึ้นศพเขาประกายของมันยากที่จะอ่านความรู้สึกภายในไพยวันลอนเอยเรียกนามเขาด้วยสำเนียงที่สะกดให้ราบเรียบที่สุดฉันรู้สึกคล้ายๆกับว่าพวกเราทั้งหมดกำลังจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ฝืนต่อวัตถุประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างรุนแรงที่สุดจึงทรงดนบันดาลให้สิ่งอันน่าสะพึงกลัวและไม่น่าจะเป็นไปได้ต่างๆเหล่านี้ มาเป็นอุปสรรคขวางน้าสกัดกั้นเราไว้ทุกวิถีทางคล้ายจะเป็นการเตือนให้เรารู้สำนึกและถอยหลังกลับสิ่งที่เราอาจจะต้องเผชิญในอนาคตข้างหน้าถ้าหากเรายังดื้อดึงบุกต่อไปต่อไปนี้คืออสูรยักษ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยปรากฏมีมาก่อนในดาวพระเคราะห์ที่เราอาศัยอยู่นี้มันคือไทแรนโนซอรัสและเป็นมันอย่างแน่นอนจากร่องรอยกัดกินเหยื่อที่เห็น พระพินไพวันเงียบเฉยเชเาวราริกยิ้มเขาอ่านความรู้สึกของมาเรียออกเดินเข้ามาโอบไหลแหม่มสาวไว้กอดเข้ามากระชับแน่นอย่างปลุกปลอบใจและว่าีนบางขณะความจำเป็นทำให้มนุษย์ต้องฝืนต่อพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกันและเคยพิสูจน์ออกไปแล้วว่ามนุษย์ทาได้สาเร็จถ้าหากเขามีเจตนาอันสุจริตและความภาคเพียรมาณเพียงพอ อย่างน้อยที่สุดในกรณีของพวกเราทุกคนเราก็ได้ผ่านอาถัร์ทั้งมวลของนิทรานครมาได้แล้วพร้อมทั้งโชคชัยเพราะพวกเราทุกคนมีความสามารถมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่เป็นที่ตั้งมีสติสัมปชัญญะและปรีชาชาญเพราะฉะนั้นต่อให้มันยิ่งกว่าไทแรนโนซอรัสเราจะไม่มีวันหันหลังกลับแล้วท่านหัวหน้าคณะก็หันไปทางพรานใหญ่เห็นรอยไหม หลังจากจัด ก, การกระเหือกของมันเสร็จไอ้ยักษ์โลกล้านปีนันบ่ายหน้าไปทางไหนรอยมันเดินสวนไปตามทางเรียบไหลเนินครับด้านที่เหยือของมันเดินมาก่อนนั่นแหละเชื่อว่าคงจะลงป่าหินไปทางด้านใต้แหละครับเชษฐาหันไปมองตามนิ่งไปครู่ก็พยักหน้าชุนรพินกมาเรียให้ถอยออกมาสมทบกับดารินและชัยันตลอดจนพวกพรานพื้นเมืองที่รวมกลุ่มกันอยู่ห่างๆเชษฐาบอกให้ทั้งสองทราบ ในการลงความเห็นของมาเรียเกี่ยวกับเจ้าไดาโนเสาร์พันุ์ไทแรนอันเป็นพันธุ์ที่ใหญ่ยักษ์และมีอำนาจมากที่สุดกับเจ้าตัวประหลาดที่ตกเป็นเหยือ่อตลอดจนร่องรอยอื่นๆที่ระพินคนพบดารินถึงกับควักแอมโมเนียมออกมาดมส่วนชา ย, ยันสีหน้าปั่นยากจะยิ้มก็ไม่ใช่จะร้องไห้ก็ไม่เชิงพวกพรานทุกคนเข้ามาวงลอง้อมมุงฟังคณะเจ้านายพูดกันอยู่ด้วยยกเว้นแง่สายเป็นคนเดียว ซึ่งขึ้นไปยืนอยู่บนชะงอนหินกว่าตามองลงไปยังแนวทุ่งสลับไปกับขุนเขารอบด้านเหมือนจะชมวิวทิวทัศน์อันมีทั้งความเปล่าเปลี่ยวอ่างว่างและงดงามน่าพิศวงโดยไม่ได้สนใจกับอะไรทั้งสิ้นไหนว่าเข็มของเราพยายามจะหลีกหลบมันไม่ใช่เลยแล้วทำไมถึงเดินตามรอยมันเข้าไห้หละ่ะอดีตนายทหารปืนใหญ่หันไปกระซิบฐานจอมพล เรามาพบเห็นร่องรอยครั้งล่าสุดของมันโดยบังเอิญครับคุณชายยมผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะค้นหาเลยเรามีเข็มที่จะต้องมุ่งมายังเนินลูกนี้อยู่ก่อนแล้วแต่ปรากฏว่ามันเล่นงานกัดกินเหยื่อที่เนินลูกนี้เหมือนกันแน่ใจหรือเปล่าว่ามันเป็นตัวเดียวกับที่ไปกินซากไดโนเทเรี์และเดินชนกระทบหินไว้ตรงปากทางที่พบมัตะกี้ดาริานถามบ้างเสียงของหล่อนลุดลอดลําคอออกมาอย่างลําบากยากเย็น ก็ควรจะเป็นตัวเดียวกันนะครับยกเว้นแต่จะเป็นตัวอื่นที่มีขนาดเท่ากันเท่านั้นคุณคิดว่ามันควรจะอยู่ห่างจากเราสักเท่าไหร่เดี๋ยวเนี้ชัยยันถามอีกแล้วก็รู้สึกตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเขาถามอย่างเด็กทารกที่สุดกระพินหัวเราะเบาๆมันกะยากนะครับดีไม่ดีมันอาจจะป้นเปียนอยู่ใกล้เราแค่นี้เองตรงป่าหินที่ใดที่หนึ่งในละแวกสี่ห้าร้อยเมตรนี่ หรือไม่ฉะนั้นก็หลบมุมบังอยู่หลังเนินใกล้ๆนี่ก็ได้ใครจะรู้แต่ถ้าภายหลังจากกินเหยื่อแล้วมันเดินมุ่งหน้าไปทางใดทางหนึ่งเดินไม่หยุดเลยระยะเวลาห่างกันประมาณสามสี่ชั่วโมงแบบนี้ผมคิดว่ามันคงจะห่างเราออกไปนับเป็นสิบสิบกิโลทีเดียวตัวมันใหญ่ขายาวรัศมีการเดินย่อมจะไปได้ไกลถ้าคิดจะเดินแข่งกับมันแล้วก็มนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเรานะ่ะเห็นจะไม่มีทางเทียบได้ แต่อย่าวิตกไปเลยครับการเคลื่อนไหวของมันทุกๆฝีก้าวยางในรัศมีห่างหนึ่งกิโลเมตรยากนักที่พวกเราจะไม่ได้ยินเสียงเอาวะเจอกันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใ ห, ใหญ่ยิ่งดีล้มดังพี่ลึกชชยันอดตลกไม่ได้ตามประษาของเขาดารินหัวเราะฮือช่สิล้มดังแต่ก่อนจะล้มอ่ะ ฉันคิดว่าพวกเราทั้งสิบสองคนคงจะมีสภาพเหมือนชิ้นมันทอดสำหรับมันเคี้ยวกรอบดีพิลึกคนละคำเท่านั้นฉันนนึกสังหรตั้งแต่เห็นแรงทีแรกแล้วว่าน่าจะเป็นซ่าของอะไรที่มันขยําไว้ตอนใกล้รุง่งยิงมาเห็นก้อนหินร่วงลงไปตีเนินข้างล่างนั่นก็ยิ่งแน่ใจไปกันจากที่นี่สีกทีละฉันรู้สึกตะครั้นตะครอยยังไงพี่กลแล้วก็ราคาญอีแรงพวกนี้เต็มทีลว มันพากันมองเราเหมือนจะเห็นเราเป็นเหยื่อไปด้วยอย่างนั้นแหละรพินเดินนำทุกคนให้เคลื่อนห่างจากบริเวณซากของสเตโกซัสเลาะตามทางบนไหลเนินนั้นมาทางด้านตะวันออกสั่งให้พวกพลานพื้นเมืองทั้งหมดไล่ลงไปชุมนุมรอคอยกันอยู่ที่กองสัมภาระที่ตั้งทิ้งไว้ก่อน และบอกให้คณะนายจ้างคอยอยู่บนไหล่ตอนนั้นตนเองปีนป่ายขึ้นไปบนก้อนหินสูงซึ่งเป็นยอดโดดเด่นขึ้นไปจนสามารถมองไปได้รอบทิศโดยไม่มีอะไรกำบงังและควักกล้องสองทางไกลขึ้นมากราดอย่างระมัดระวังไปรอบด้านเหมือนจะค้นหาอะไรสักอย่างหนึง่งนั่นก็ทําอะไรหาตัวไอ้ยักษ์นั่นเหรอมาเรียเปยขึ้นอย่างสงสัยขณดที่แง้ขึ้นไปมองอาการของจอมพรานบนยอดหิน คงจะตรวจหาที่หมายอะไรสักอย่างหนึ่งมากกว่ามาั้งเขาบอกไว้ก่อนแล้วเหมือนกันว่าต้องการจะมุ่งมาที่นี่เป็นจุดแรกเพื่อสอบเส้นทางที่จะคลบหน้าต่อไปเชษฐาบอกและตัวเขาเองก็ไต่แง่หินตามระพินขึ้นไปด้วยทำให้อีกสามคนพลอยตามขึ้นไปทั้งชุดต่างเอากล้องประจำตัวออกมากวา่าซองภูมิประเทศรอบทิศจากเลนย่นระยะทาให้สามารถจะมองเห็นทิวเขาสูงๆต่าๆราวกับกาแพงกั้นขอบจักรวาล รอบด้านทั้งใกล้และไกลออกไปได้ขนัดขึ้นทางด้านใต้ของเนินที่ทุกคนพากันขึ้นมายืนอยู่นี้คือทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลไกลลิบปลิวออกไปจนเห็นทิวเขียวรั ง, รงของขุนเขาเป็นเส้นกัน้นราวกระพร้สเก็ตในแผนที่ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือผ่านบริเวณทุ่งหญ้าตามลอนเนินสูงสู ง, สงต่ำตำ่ไปช่วงระยะหนึ่งก็เป็นป่าหินอันสลับซับซ้อนแทบจะกําหนดไม่ได้ว่า มันจะไปสิ้นสุดบริเวณเอาที่ใดบางแห่งเป็นพื้นทรายและหมู่ไม้ขึ้นเป็นหย่อมๆคล้ายโอเอซิสแวดล้อมไปด้วยภูเขาที่ขึ้นสลับซับซ้อนมีทั้งความงามและความลึกลับน่ากลัวอยู่ในตัวของมันเองยังไงบอกไม่ถูกส่วนด้านตะวันตกข้ามหุบลึกอันกว้างใหญ่ไปยังฝั่งตรงข้ามคือป่าดึกดำบรรซึ่งระยะทางส่วนมากทั้งคณะบุกบันผ่านกันมาก่อนแล้ว ระหว่างที่ทุกคนสองกล้องมองกันไปคนละทิศและเงียบงันกันไปด้วยความคิดที่ไม่มีใครเดาความรู้สึกใครถูกระพินไครวันลดกล้องลงหรือย่ามหลังค้นหาแผนที่ลายแทงออกมาคลี่กลางอย่างระมัดระวังสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความใคร่ครวนขบคิดขนาดหนักพยายามขยับแผนที่อันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นให้อยู่ในมุมอันถูกต้องกับทิศทางที่กาหนดไว เปรียบเทียบกับทิศทางแท้จริงในขณะนี้โดยเอาเข็มทิศออกมาวางจับแล้วเอามือจับคางกัดริมฝีปากแน่นอยู่คณะนายจ้างก็เคลื่อนเข้ามามุงล้อมดูมีคาวขึ้นบ้างไหมผู้ ก, กองเฉถาเอ่ยทำลายความเงียบขึ้นเบาๆพรานใหญ่เอาปากกาหมึกแห่งชี้ไปยังที่หมายแห่งหนึ่งในแผนที่ลายแทงนี่คือภูเขาเกือกมา ที่มังมหานรธาระบุไว้แล้วถ้ามันเป็นเขาเกิดมาจริงตามแผนที่ขณะนี้พวกเราก็ควรจะอยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่งในตอนใต้ลงมาเยื้องไปทางด้านตะวันตกอาจจะเป็นแถวๆนี้ก็ได้กาวจบประโยคเขาก็วนเส้นบางๆลงไปยังบริเวณพื้นที่ว่างไม่ได้กำหนดที่หมายใดๆไวเลยในแผนที่ฉบับนั้นซึ่งเป็นด้านตะวันตกเฉียงใต้ทุกคนเพ่งมอง สมองทำงานเต็มที่เพื่อช่วยคบคิดตีปัญหาแล้วเขากองกอยอะไอยู่ที่ไหนเราจะมุ่งเข้าหาเขากองก่อยอันเป็นตำแหน่งแรกที่เราเดินแยกผิดเส้นทางออกมาก่อนไม่ใช่เหรอดารินพูดเบาๆหลอนชา ย, ยันและมาเรียไม่ทราบมาก่อนว่าพรานใหญ่วางแผนไว้เช่นไรมีแต่เช่ฐาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่พอจะเข้าใจเราๆจากการบอกของรพินระหว่างที่ออกเดินมาด้วยกัน หวนหน้คณะจึงตอบแทนฟรานนําทางขึ้นว่าเป้าหมายเขากงกอยนะี่ยมันห่างไกลออกไปมากและขณะ น, นี้เรายังไม่รู้ว่ามันควรจะอยู่ทางทิศไหนแน่กับสถานที่อยู่ในปัจจุบันของเราระพินกําลังพยายามค้นหาที่หมายเพื่อการสังเกตที่ใกล้เคียงกับเราในขณะนี้มากที่สุดก่อนโดยมุ่งเอาเขาเกิดมาที่ระบุไว้ในแผนที่เป็นหลักถ้าเราค้นพบก็แปลว่าเราสามารถเข้าเส้นทางได้พอดี โดยไม่ต้องไปเสียเวลาย้อนกลับไปที่เขากองกอยหรือมุ่งเข้าหาแนวลำน้ำสารวินซึ่งห่างไกลออกไปอีกเขาอธิบายให้พี่เข้าใจเมื่อเช้านี้เองขณะที่เดินมาด้วยกันทุกคนพยักหน้าอย่างเพิ่งจะเข้าใจแม้จะไม่กระจ่างนักโดยเฉพาะดารินกบมาเรียผู้ไม่ค่อยจะแตกฉานในเรื่องการอ่านแผนที่มาก่อนแล้วอะไรเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ล่ะมาเรียถามจอมพรานชี้ทุกคนดูไปยังทิวเขาลูกหนึ่ง ห่างออกไปไม่ไกลนักทางด้านตะวันออกลักษณะของมันแม้จะมองด้วยตาเปล่าในขณะ น, นี้ก็พอจะเห็นชัดได้ว่าติงเขาทั้งสองด้านยื่นโอบขนานกันออกมาสันฐานเหมือนเชิงกรานเตาไฟหรือมิฉะนั้นก็เกิกมาโดยมุมที่ทุกคนแลเห็นอยู่บนเนินนีเขาเถือกนั้นหันด้านข้างให้ยิ่งทำให้เห็นรูปลักษณะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อแลผ่านไหลด้านหนึ่งลงไป ที่เราเห็นอยู่นั่นเป็นเขาเกิกมาลูกเดียวกับที่ระบุว่าในแผนที่นี้หรือเปล่านั่นคือปัญหาภายหลังจากช่วยกันพิจารณาอยู่ครู่หนึง่งทุกคนก็มีความเห็นตรงกันว่าสันฐานของมันน่าจะอนุโลมเป็นรูปเกิกมาได้มากที่สุดถ้าดูตามภาพสายตาที่เห็นอยู่นี่มันก็น่าจะใช่นะชัยยันว่าแต่ก็ยังไม่แน่ลักษณะของเขาที่ดูเหมือนเกิกมาแบบนี้อาจมีอยู่ทั่วไปก็ได้ มีหลักอะไรที่เราพอจะพิสูจน์ให้รู้ชัดบ้างไหมรพินเป็นต้นว่าเป้าหมายใกล้เคียงอื่นๆที่ระบุในแผนที่ฉบับนี้อีกเพื่อยันให้ได้ว่ามันควรจะใช่หรือไม่เชฐากล่าวขึ้นอย่างรอบคอบและมีความชำนาญพอสมควรในเรื่องการค้นหาที่หมายในแผนที่ผมกำลังคิดอยู่ครับคุณชายพรานใหญ่กล่าวเบาๆเาชียทุกคนดูลงไปในลายแทงอีกครั้ง ถ้าเขาเทือกนี้เป็นเขาเกือกมาจริงห่างเป็นมุมยี่สิบดีกรีทะแยงออกไปทางทิศเหนือระยะทางเท่าไหร่แน่นอนยังไม่ทราบได้แต่เชื่อว่าคงไม่ไกลเกินไปนักจะต้องมีแอ่งลักษณะก้นกระทะในวงล้อมของทิวเขารอบด้านมีน้ำขังอยู่ในลักษณะกว้านหรือบึงขนาดใหญ่ซึ่งในลายแทงนี้ระบุว่าเป็นทะเลสาบมรณะถ้าเราพบทะเลสาบนี้จริงก็แปลว่าภูเขาที่เราเห็นอยู่นี่ เป็นภูเขาเกิอกมาตรงกรลายแทงซึ่งจะช่วยคำนวณหาเส้นทางต่อไปได้โดยไม่ยากนักแต่ถ้าไม่พบทะเลสาบเขาเกิอกมาเทือกนี้เป็นคนละเทือกกับในแผนที่ก็จะต้องควานหาที่หมายกันต่อไปใหม่ทุกคนเงียบงนันจมอยู่ในความคิดใคร่ครวนขณะหนึ่งเมื่อไม่เมื่อไม่ ม, มีทางเลือกที่ดีกว่านี้เราก็ต้องเสี่ยงกันดูและในที่สุดท่านหัวหน้าคณะ ทำความเงียบให้สิ้นไปด้วยการตัดสินใจโดยการค้นหาทะเลสาบมรณะยังงั้นเหรอคะพี่ใหญ่น้องสาวเอ่ยขึ้นมันก็ควรจะต้องเป็นเช่นนั้นนะน้อยไม่งั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเถื่อกนี้เป็นเถื่อกเดียวกับที่ระบุไว้ในลายแทงของคนเมื่อสี่ร้อยปีก่อนนี้หรือเปล่าชายันมองด้วยตาเปล่าออกไปยังภูเขาอนันเป็นเป้าหมายของทุกคนอยู่ในขณะนี้ ดูว่ามันไม่ห่างไปเท่าไหร่นักนะแต่ระยะทางมันกินตายยังไงพิกลคุณกะว่าเขาเกิดอกมาลูกนั้นนะมันห่างจากเราเออกไปเท่าไหร่ประโยคหลังเขาถามสุภาพบุรุษใครซึ่งยังจมหนักอยู่ในความคิดเป็นครั้งแรกที่รพินควักซิ ก, ก้าที่เชิดถามอบให้ไว้ออกมากัดปลายและกบจูบเราราวสิบถึงกถึง20ิกิโลเมตรครับคุณชัยัน ตัดปลาหินหย่อมเล็กๆใต้เนินนี่ไปแล้วบุกเป็นเส้นตรงตัดทุ่งถึงปลายทิวด้านที่ใกล้ที่สุดผมก็กะว่าอยู่ในราวนั้นนะเราจะวางเส้นทางเดินยังไงนี่รวพินเหลือบตาลงดูแผนที่อีกครั้งววตาเต็มไปด้วยความครุ่นคิดกังวลทะเลสาบมรณะถ้ามีอยู่จริงโดยเราอนุมานเอาว่าเขาเกิดมาทิวนี้ตรงกับแผนที่ของมังมหานรธา ทะเลสาบแห่งนี้ก็จะอยู่ในมุม20ดีกรีตะวันตกเฉียงเหนือของเขาลูกนั้นซึ่งถ้าเราแน่ใจเช่นนั้นเราก็อาจใช้หลักคำนวณโดยถือตำแหน่งที่เราอยู่นี่เป็นหลักตั้งเข็มประมาณ45ดีกรีตะวันตกเฉียงเหนือจะช่วยให้ย่นระยะเวลาเข้าไปแต่มันก็เสี่ยงต่อการผิดพลาดมากเพราะเป็นการคณเเนเอาเท่านั้นถ้าตั้งองศาผิดนิดเดียวถึงแม่ทะเลสาบแห่งนั้นจะมีอยู่จริงเราก็อาจค้นไม่พบ หรือพบก็จะต้องเสียเวลาย้อนค้นหาอีกวิธีที่ปลอดภัยที่สุดถึงแม้จะช้าไปบ้างผมก็คิดว่าเราควรจะตรงไปที่เขาเกิดมาลูกนัน้นเป็นเป้าหมายแรกก่อนเมื่อถึงที่นั่นแล้วจึงค่อยตั้งเข็มใหม่ผมเห็นด้วยคิดรอบครอบทีเดียวระพินอย่าให้อยู่ในลักษณะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเลยเอาไอ้ชนิดที่มันเที่ยงที่สุดช้าไปเล็กน้อยก็ช่างมัน หัวหน้าคณะบอกเราจะไปถึงทิวเกือกมาภายในเวลาสักเท่าไหร่ดารินถามเปลยตาหลอนทอดจับมองอยู่ที่นั่นระยะทางเดินสะดวกไม่ต้องอ้อมป่าหรือเขานอกจากจะตัดเป็นแนวตรงเร่งฝีเท้ากันเต็มที่กะว่าเราควรจะทำเวลาได้5กิโลต่อชั่วโมงหรืออาจเร็วกว่านั้นเล็กน้อยเชษขาปัดแขนเสื้อขึ้นดูนาฬิกาข้อมือ เกอิบ1อดโมงและตอนนี้ถ้างั้นเราก็ควรจะไปถึงที่นั่นราวบ่ายสามมีเวลาเดินหลังจากนั้นอีกสามชั่วโมงแต่เราไม่มีทางจะรู้ได้เลยว่าทะเลสาบมรณะที่เราคิดว่ามันควรจะมีอยู่นั้นห่างไกลออกไปอีกเท่าไหร่ใช้เวลาสักกี่ชั่วโมงอย่างมากก็คงไม่เกินอีกหนึ่งวันเต็มๆของพรุ่งนี้หรอกครับสังเกตดูจากภาพที่ลงไว้ในแผนที่นี่ไม่น่าจะห่างมากนกะถ้างั้นโอเคมุบ มาเรียตัดสินใจได้เร็วเสมอหล่อนร้องพร้อมกับลุกขึ้นยืนแต่เชษฐายกมือขึ้นห้ามไว้สักก่อนหันมาทางพรานใหญ่เดี๋ยวพระพิมผมอยากจะหลอกดูท่าทีความเห็นของเจ้าแง่ทรายหน่อยเกี่ยวกับการตัดสินใจของเราในข้อนี้ดีเหมือนกันเรียกมันขึ้นมาชายันเสริมขึ้นโดยเร็วจอมพรานหันไปป้องปากตะโกนเรียกแง่ทรายแล้วกวากมือ เจ้าองครักษ์พิเศษของดารินซึ่งขณะนี้กำลังนั่งรวมกลุ่มอยู่กับพรานพื้นเมืองข้างล่างก็ไต่ต้องก้อนหินขึ้นมาตามบัญชาเรียกแล้วมาหยุดยืนสงบหยุดตรงหน้าของทุกคนและก่อนที่เชษฐาหรือใครอื่นจะเอ่ยขึ้นเช่นไรชายันก็ถามขึ้นเรียบๆหน้าตาเฉยๆว่าไงทรายเมื่อคืนนี้แกฝันอะไรบ้างหรือเปล่าคําถามฉนันิดที่ดักคอเท่าทันเช่นนั้นทําว่าทุกคนแทบจะกลั้นยิ้มออกมาไม่ได้แม้แต่ระพิน ดารินั้นมีใจเอ็นดูเมตตาและเข้าข้างคนใช้ประจำตัวของหล่อนเป็นทุนอยู่แล้วแอบหยิกสีข้างชา ย, ยันเบาๆอย่างขวางแต่เจ้าคนถูกถามเองวางหน้าเซอร์สนิทผมไม่ได้ฝันอะไรเลยนายทหารเป็นคำตอบที่กังวานแจ่มใสทุ่มลึกหน้าตาก็ดูซื่อพระธุดงองค์ที่เลี้ยงแกมาท่านไม่มาอยู่ในความฝันของแกตอนนี้บ้างเหรอไงาสายไม่ตอบเพียงแต่ยิ้มนิดนึง พร้อมกับโครงศีสะนช้าๆมาเรียมมองตาแงซายตรงๆแล้วยิ้มให้แต่จอมพนเนจรเมินหลบไปซสทางอื่นยืนสำรวจเฉยอยู่ฉันรู้ว่าแกต้องการไปถึงเนินพระจันทร์ให้เร็วที่สุดเชษฐาเอ่ยขึ้นพวกเราทั้งหมดนี่ก็เช่นเดียวกันการประหยัดเวลาเป็นสิ่งที่จำเป็นสุดยอดเพราะฉะนั้นแกมีความคิดอยู่ในส ม, อ, นสมองบ้างไหมว่าเราควรจะตัดไปทางไหนจากที่นี่ โดยสีหน้าอันเงียบเฉยซึมสงบนั้นรอยยิ้มผ่านแวบไปในแววตาของแง่ทรายไม่มีใครสังเกตทันนอกจากพรานใหญ่ที่นั่งมองอยู่ยังไกลเห็นตีน ง, งูฉะนั้นผู้ ก, กองน่าจะทราบดีกว่าผมอยู่แล้วครับอาจไม่ดีกว่าก็ได้ดารินสอดมาโดยเร็วหางเสียงปรานีแล้วเน็บไปถึงอีกคนนึงเขาเองก็อยากจะได้ความเห็นจากเธอเหมือนกัน เว้นไว้ wide, แต่เขาจะไม่ยอมพูดเท่านั้นศักดิ์ศรีของจอมพลานของเขานะี่ยมันยิ่งใหญ่เกินไปธุระอะไรจะไปปรึกษาหาหรือลูกหาเพืเสียภูมิไม่ต้องกลัวเขาจะไม่คอมเนเธอหรอกสมมุติว่าเธอจะให้แนวทางที่ถูกต้องแก่พวกเราเชยถาหันไปตาวาดน้องสาวเบาๆเขาเริ่มจะฉุนขึ้นมาจริงๆน้อยทำไมพูดอย่างนั้น่ะควรจะถนอมน้าใจกันไว้บ้างนะถ้าพี่เป็นดพินแล้วก็ ถ้าน้อยพูดแบบนี้นะพี่แยกทางกลับทันทีนะน้องสาวยักษไกลแล้วหันหน้าไปหัวเราะ อ, อีกทางนึงทว่าก็สงบลงไปเพราะรู้ว่าพี่ชายโกรธเอาจริงๆช่วยไม่ได้หล่อนมีเจตนาโดยตรงอยู่แล้วที่จะยั่วให้ใครสักคนนึงสะเทือนใจเล่นงั้นเองแต่พรานใหญ่ไม่มีปฏิกิริยาอย่างใดทั้งสิน้นกลับตอบนายจ้างเขาเรียบๆน้ำเสียงปกติที่สุดว่าไม่หรอกครับคุณชาย ถึงยังไงผมก็ไม่มีวันที่จะแยกทางกลับผมเป็นลูกจ้างที่รับเงินค่าจ้างครบถ้วนตามเรียกร้องแล้วแต่ยังปฏิบัติงานให้นายจ้างไม่บรรลุผลน้อยนี่ไม่ไหวจริงนิสัยเสียชยายันบ่นพึมดารินหันไปทำตาเขียวถลึงใส่เอากระซิบดุเอาวะอย่านะอย่ามาทำออกจะรับเก็บร้อนแทนเดี๋ยวฮึตัวเองก็อาชยากรรมอะไรเมื่อคืนนี่อย่านึกว่าฉันจะไม่รู้ ถึงแม้ผู้เสียหายจะไม่เอาเรื่องก็ตามเท่านั้นเองเพื่อนหนุ่มผู้กลัวต่อการต่อปากต่อคากันมาแต่ไหนแต่ไรก็ยิ้มเฟื่อนแย่ไปได้แต่สั่นหัวอยู่เดิกๆเจ้า ต, ตัวต้นเหตุที่ก่อให้เกิดการใช้ถ้อยคำเน็บแนมเสียดสีกันอย่างเผ็ดร้อนในกลุ่มบุคคลชั้นนายทั้งหลายซ่อนความฉลาดเท่าทันทุกประการไวภายใต้สีหน้าอันเซร์สงบตามเดิมเหมหน้าคนโน้นทีคนนี้ทีไม่รู้เรื่อง เชี่าพยายามจะขจับอารมณ์หงุดหงิดที่เกิดขึ้นจากน้องสาวคนสวยหันไปทางแง่ทรายอีกครั้งคิดด้วยดีนะแงซรายแกอาจจะลืมตาเห็นหรือหลับตาเห็นก็ตามมีทะเลสาบอยู่แห่งหนึง่งไม่น่าจะห่างไกลาจากที่นี่นักเราจะมุ่งไปที่นั่นเป็นเปน้าหมายสำคัญโดยสงวนเวลาให้ได้มากที่สุดเราควรจะตั้งเข็มยังไงเจ้าคนลึกลับในคราบของคนดง แย้มไรฟันเรียบงามเป็นระเบียบให้ทุกคนเห็นนิ่งไปอึดใจหมุนตัวช้าๆหันไปทางภูเขารูปเกือกมาชี้มือไปที่นั่นผมคิดนายใหญ่ถ้าเป็นผู้กองตำแหน่งแรกคือตรงเข้าหาปลายทิวด้านใต้ของเทือกเขานั้นและมุ่งตะวันตกเฉียงเหนือทะเลสาบพี่นายใหญ่ว่าผมไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนแต่ถ้ามันมีจริง เราควรพบก่อนค่ำของวันพรุ่งนี้เชษฐาแลไปสบตาระพินดารินเองผู้นั่งหันหน้าไปทางอื่นแบบนี้ก็หันขวับมาจ้องแง้สายด้วยความรู้สึกแปลกๆส่วนชัยยันเลี่ยงเข้ากระซิบกับพรานใหญ่ว่าเอาไีบไมมตกเขาซะเลยผมจัดการเองระพินตอบหน้าตาเฉยด้วยอาการกระซิบเช่นกันว่าอย่าดีกว่าครับผมและพวกเราทุกคน ยังจะต้องพึ่งมันอีกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาคตข้างหน้าเรารู้ไม่ได้พลาดพลังผมเป็นอะไรไปสะ ก, ก่อนคณะของคุณชายันก็ยังมีเจ้าคนบนนี้นำทางไปได้จนถึงเทือกเขาพระศิวะผมอุ่นใจแล้วในเรื่องของเส้นทางชายันหัวเราะหันไปมองแง่ทายแล้วโครงหัวเฉถาก็สั่งให้ทุกคนเตรียมตัวเดินทางต่อในทันที ไตจากยอดหินลงไปสู่ขบวนลูกหาบที่รอคอยกันอยู่ข้างล่างในขาเดินลงเชิดาเคลื่อนเข้ามาชิดพรานใหญ่สีหน้าแช่มชื่นเต็มไปด้วยความหวังขึ้นถ้างั้นเส้นทางที่คุณขีดไว้ก็เห็นจะไม่พลาดละถึงพลาดก็ไม่กังวลเลยครับท่านเฮซายังอยู่อย่างที่บอกแล้วได้ยินมันพูดยิ่งทำให้ผมแน่ใจนะว่าทะเลสาบมรณะจะต้องอยู่ทางด้านนั้นจริงๆ และเขาเกิดมาที่เรายังสงสัยกันอยู่นี่มันจะต้องตรงกันในแผนที่นั่นแหละระยะทางเราก็น่าจะวัดได้แล้วจากการบอกใบ้แบ่งรับแบ่งสู้ของมันคือเราควรจะเดินทางไปถึงก่อนค่าของพรุ่งนี้ไม่งั้นมันจะบอกเส้นทางตรงกับที่คุณขีดไว้ได้ยังไงแม้มันจะพูดแบบลมเพลลมพัดว่ามันคิดเอาเองก็ตามเป็นการดีมากแล้วนะครับที่คุณชายกะชยัยกบคุณชั ย, ยันจับเคล็ดรู้ทันมันแบบนี้ผมเองก็โปร่งใจขึ้น ไม่งั้นรู้สึกคล้ายๆกับ ว, ว่าผมมาคอยระแวงจับไว้จับพริบมัาอยู่คนเดียวน้ำละ่ะแล้วพอมีใช้นานสักเท่าไหร่หากระยะข้างหน้าหาแหล่งน้ำไม่พบเลยถ้าใช้อย่างประหยัดก็ประมาณสองวันครับแต่ผมคิดว่าเราจะไม่กันดานน้ำแน่นอนสังเกตจากความชุ่มชื้นของภูมิประเทศแถบนี้ครับถ้างั้นเอาละบุกต่อไป ถึงไหนถึงกันกลับลงมาถึงบริเวณที่ลูกหาบรอคอยอยู่ตีเนินเกิดกับเสื่อช่วยกันตัดไม้ลำต้นขนาดพอเหมาะซึ่งขึ้นอยู่ตามซอกหินบริเวณนั้นมาเป็นคานหาดทดแทนให้แก่ไม้คานเก่าที่ถูกไอแร่เจ้ากรรมขยี้สหักสะบั้นยกขึ้นหาบได้ตามเดิมระพินโบกมือเป็นเครื่องหมายเคลื่อนที่ต่อนําพระจากเนินลูกนั้นตัดทุ่งผ่านตะวันออก มุ่งทิวเขารูปเกือกมาที่เห็นอยู่เบื้องหน้าทันทีสถานที่ถึ่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เองแต่มันหมายถึงกำลังขาของมนุษย์ซึ่งจะต้องใช้เวลาเดินอย่างเต็มเวียงไม่ต่ำกว่าสามสี่ชั่วโมงและมันก็ชินจนเป็นเรื่องธรรมดาซะแล้วสำหรับนักบุกบันฝ่ามรุตยูทุกคนประมาณ4กิโลเมตรแรกที่ตัด ก, กันไปในท้องทุ่งอันอ้างวาง เป็นระยะที่เร่งฝีเท้ากันอย่างเต็มที่ไม่มีใครพูดกระใครทางสิ้นนอกจากก้มหน้าก้มตาเดินอย่างเดียวแดดทําท่าจะกระจ่างขึ้นแต่แล้วก็แฝงเงาเข้าหมู่เมฆทําให้ท้องฟ้าพยับครึมคลุมเครืออยู่ตลอดเวลาช่วยให้ทุกคนไม่รู้สึกเหนื่อยหรือเสียเหงื่อมากคณะนายจ้างทุกคนอดที่จะคิดไม่ได้ว่าถ้าระยะทางเบื้องหน้าต่อไปอากาศเย็นชื้นเช่นนี้ตลอดไปก็จะดีไม่น้อย เพราะช่วยให้เดินสบายพื้นทุ่งที่ตัดกันมาก็ราบเรียบเป็นส่วนใหญ่แม้จะเป็นที่ลุ่มบ้างดอนบ้างก็เป็นช่วงระยะที่ห่างไกลกันจนทำให้การไต่ขึ้นหรือลงไม่รู้สึกเหนื่อยเดินได้อย่างสะดวกผิดกับป่าดงดิบป่าเขาหรือป่าหินอันครุขระกันดานอย่างเช่นที่ผ่านกันมาแล้วเป็นส่วนใหญ่ทั้งทุ่งอ้างวางลิบลีว่วกว้างใหญ่ที่ผ่านกันไปเต็มไปด้วยความเงียบวางเวง ไม่มีเงาของสัตว์ใดกลายกล้ำไมห้ห็นนอกจากพวกแมลงที่บินวนเวียนดูดเกสรของดอกไม้ลักษณะแปลกๆซึ่งขึ้นแซมอยู่เป็นระยะกลาดเกลื่อนลานตาไปหมดมนุษย์ทั้งสิบสองชีวิตเรียงแถวตัดผ่านไปพวกมันก็พากันบินกระจายแตกตื่นตามตอมเนื้อตัวแต่ก็เป็นแมลงที่ไม่มีพิษอันตรายใดๆดรพินไพรวันคงนำรุดหน้าไปอย่างชนิด ตั้งแต่ออกเดินไม่เคยเลี้ยวหลังกลับมามองและขณะ น, นี้ร่างของจอมานทิ้งขบวนห่างออกไปประมาณเกือบร้อยเมตรกลางทุ่งล่งที่แลเห็นอะไรได้ถนัดรอบด้านปราศจากที่กาบังเช่นนี้เป็นระยะที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องห่วงกังวลถึงอะไรทั้งสิ้นเป้าหมายเบื้องหน้าก็สังเกตเห็นชัดอยู่ตลอดเวลาแล้ว45บห้านาทีผ่านไป ทุกคนเห็นเขาหยุดนั่งรอขบวนอยู่ที่ตีนเนินของหญ้าแตกระบัดเบื้องหนะ้าผู้วิประเทศตอนนี้รอบด้านเป็นรอเนินสูงๆต่ำๆปกคลุมไปด้วยหญ้าอันเรียบเตียนราวกับใครมาปลูกไว้เป็นสนามกอล์ฟพอคณะทั้งหมดเดินมาถึงลุกขึ้นเดินตรงเข้าไปที่คู่หาบของเกิดกับเสยยังไม่ทันที่คณะนายจ้างจะทันได้พูดจาทักทายหรือซักถามอะไรก็เห็นเขาแลกปืนกับเกิดสงขนาด จุดสหไปให้สภายแทนช่วยเอา30สิบทับ0ูมาถือและออกเดินอย่างรวดเร็วตัดหน้าขบวนล่วงไปอีกชั่วไม่กี่อจใจเท่านั้นคราวนี้ลับไปจากสายตาของทุกคนเพราะนอกจากจะเดินเร็วจนคณะทั้งหมดตามไม่ทันแล้วเนินภูเขาเนินภูเขาหญ้าที่สลับซับซ้อนอยู่ทั่วไปก็ยังเป็นเครื่องอำพรางตาไว้อีกทำให้ไม่สามารถจะมองเห็นได้ในแนวราบไกลนะัก ระหว่างเนินต่อเนินเชษฐากับดารินซึ่งตามอยู่เบื้องหลังชักไม่แน่ใจว่าจะตามรอยได้ถูกต้องหรือไม่ก็ถอยลงมาปล่อยให้แงซทรายและขยินทำหน้าที่นำแทนอีกยี่สิบนาทีผ่านไปยังมองไม่เห็นหลังพรานใหญ่ดารินเริ่มรำคาญใจขึ้นมาอีกอย่างไม่มีเหตุผลทำไมพี่ใหญ่จะสั่งนายเขมรไล่ควายของพี่ใหญ่คนนั้นหน่อยไม่ได้เลยคะว่ายรอพวกเรามั่ง อยู่ๆก็เดินเล่นทิ้งหายไปอย่างนั้นแหละบ้าจังนั่นดูเหมือนจะเป็นประโยคแรกที่ถูกทำลายขึ้นจากการหุบปากเงียบกริบของทุกคนนับตั้งแต่ออกเนินอันเป็นสุสานโบราณ น, นั้นมาพี่ชายหันมามองหนะ้าสายตาอันลึกซึ้งคู่นั้นทำให้น้องสาวต้องเมินหลุก็ไม่เห็นมีอะไรจะต้องกังวลนี่น้อยไม่ว่าทางด้านเราหรือเขาสาหรับภูมิประเทศตอนนี้ประเดี๋ยก็ตามทันกันเองละ่ะ ก็ไมด่ดห่วงกังวลอะไรหรอกแต่รู้สึกขัดขัดยังไงพี่กลุลทำไมจะเดินไปพร้อมๆกันไม่ได้เหรอในฐานะพรานนำทางทำไมถึงต้องล่วงหน้าทิ้งกระบวนไปก่อนด้วยแบบนี้ทุกทีเลยจริงนะน้อยในคณะของเราทั้งหมดนี่มีน้อยยุ่งวุ่นวายสารพัดอย่างอยู่คนเดียวคนอื่นไม่เห็นมีใครเขายุ่งเลยก็ถ้านน้อยไม่ยุ่งสักคนเดียวพี่ใหญ่ก็คงจะไม่ตัดสินมาตามพี่กลางหรอกคะ่ะ เจอเอศอกกลับเข้าแบบนี้อดีตท่านทูตทหารบกก็คอแข็งไปไม่กล่าวอะไรอีกแต่เดินพระแยกห่างน้องสาวออกไปซะเวลาล่วงเลยไปตามลำดับไม่มีเงาของรพินไทรวันให้ใครเห็นราวกับว่าเนินอันสลับซับซ้อนรอบด้านเหล่านั้นกลืนเขาให้อันตราธานไปซะแล้วผู้นำในการเดินคือแง่ทรา ย, ายไม่มีใครสังเกตรู้ได้ว่าอดีตร้อยโทกองโจรกระเรียง ใช้อะไรเป็นเครื่องสาวรอยพรานใหญ่ซึ่งล่วงหน้าหายลับไปก่อนนับชั่วโมงไม่มีข้อพิสูจน์ใดๆจะบอกได้ในยามนี้ด้วยว่าแง่ายเดินตามได้ถูกหรือไม่หลายต่อหลายครั้งเชษถายอยากจะเอ่ยปากถามแต่ก็ตัดใจไม่ถามซะเอาความมั่นใจเป็นที่ตั้งว่าจะอย่างไรซะนอกจากแง่ายแล้วพวกพรานพื้นเมืองของระพินเองแต่ละคนก็คงตามรอยนายไม่มีผิดพลาดผิดปกติอย่างใด คนใดคนหนึ่งก็ต้องทักทวงขึ้นเองเพราะคนเหล่านั้นมือชั้นยอดขนาดไว้วางใจได้ทั้งสิ้นเมื่อใกล้ปล่าหินเข้ามาถิวเขาเกลือกมาก็บทบางลับตาไปเพราะแนวหิวอนันงอกขวางระเกะระกะเป็นดงเหล่านั้นประกอบกับที่ทั้งคณะกำลังเดินอยู่ในบริเวณที่ลุ่มตำ่ำระหว่างตีนเนินสองลูกบรรจบกันขณะนั้นเอง เสียงไรเฟิ น, นัดหนึ่งก็แผดกึกกล้องกังวานสะท้านไปทั่วจากที่ใดที่หนึ่งพ้นเนินลูกข้างหน้าขึ้นไปทมกลางความเงียบสงัดและเผือตัวทําเอาคณะในที่โลกว่าเช่นนี้ไม่สามารถคำนวณได้ว่ามันใกล้หรือไกลเพียงไหนทุกคนหยุดชะงักอยู่กับที่ชั่วขณะกลั้นใจฟังอึดใจใหญ่กระสุนลั่นขึ้นเพียงนัดเดียวแล้วก็หายเงียบไปโดยไม่ปรากฏซ้าเสียงใดๆอีกทั้งสิ้น คณะนายจ้างหันมามองหน้ากันแต่พวกลูกหาบภายหลังจากเงี่ยหูแล้วก็ไม่เกิดปฏิกิริยาตื่นตระหนกใดๆทั้งสิน้นออกเดินเคลื่อนต่อไปตามปกติบุญคำผู้หาบของเดินผ่านเฉียดเชิดถาผู้ยังยืนขมวดคิ้วอยู่บอกมาว่าไปเถอะนายใหญ่วันนี้เห็นทีจะไม่อดแล้วล่ะถ้าตมเดียวอย่างนี้แล้วก็มันแน่จะยิ่งกว่าแน่พรานใหญ่เป็นทุระจัดการหาสเสบียงให้แล้วล่ะ ทั้งหมดเร่งฝีเท้ากันขึ้นอีกโดยเฉพาะฝ่ายนายจ้างซึ่งมีความกระวนกระวายใจแฝงอยู่ด้วยเพราะยังไม่สามารถจะปรงใจได้แน่ว่าเสียงกระสุนที่ระเบิดขึ้นนั้นมันหมายถึงอะไรแน่แม้จะได้รับคำรับรองให้อุ่นใจจากบุญคำก็ตามชั่วไม่นานต่อมาเมื่อต่างขึ้นมาสุดยอดเนินเตียเต้ยตลูกหนึ่งและกาลังจะเดินลงไปสู่ที่ราบต่ำเบื้องล่างตรงหน้ากลุ่มนายจ้างทุกคนก็ถอนใจออกมาอย่างโล่งอก เมื่อเห็นร่างของพรานใหญ่ก้มก้มเงยเงยทำอะไรง่วนอยู่กับพื้นตรงหมโู่โขดขินเต er ี้ยเตียอันเป็นทางน้ำไหลเล็กๆคดเคี้ยวซอกซอนเป็นแนวมาระหว่างปีนเนินเมื่อต่างเข้ามาใกล้ก็พบว่าสิ่งนั้นคือกวางดาวขนาดเท่าเก้งเขึงเคื่อ ง, องตัวหนึง่งถูกกระสุนนอนหงายทองอยู่และจอมพรานกำลังใช้เชือกประจำตัวมัดขาเข้าขมารวมกันเพื่อสะดวกในการสอดคานหาม มันเป็นกวางที่ทุกคนไม่เคยพบเห็นมาก่อนในเขตป่าไทยหรือพม่าและต่างก็เพิ่งจะเข้าใจถึงเหตุผลในข้อที่ว่าเหตุในรับพินจึงเปลี่ยนไรเฟิลกับเกิดแล้วออกเดินล่วงหน้ามาก่อนขณะเดียวกันก็บังเกิดความแน่ใจอย่างแน่นแฟ้นขึ้นมาอีกว่าเมื่อไรก็เมื่อนั้นบุคคลผู้นี้เป็นหลักประกันของคณะทั้งหมดได้แน่นอนเสมอไม่ว่าจะในด้านใดไม่เคยที่จะบกพร่องย่อนยานต่อนหน้าที่ภายใต้การรับผิดชอบเลย เสียเวลากันที่นั่นเพียงชั่วไม่กี่อึดใจสําหรับใช้แง้ทรายกับขยินอันเป็นคู่หาบที่แข็งแรงที่สุดบรรจุกวางดาวตัวนั้นเข้าไปในรายการหาดหามเพิ่มขึ้นอีกโดยไม่เป็นภาระอันเกินกําลังอะไรนะักแล้วต่างก็รุดต่อไปเรามาเสียเวลาและมีกังวลอยู่กับการที่เดินไปพลางก็ต้องเตรียมหาอาหารใส่ทองไปพลางด้วยนี่แหละหัวหน้าคณะปลาลบขึ้นในขณะที่เดินเคียงไปกระจอมพราน สเสบียงก็ต้องหากันไปเฉพาะชั่วมือชั่วคราวไหนจะน้ําหนักที่จะบรรทุกอย่างดีที่สุดก็เผื่อได้แค่สองสามื้อเท่านั้นมันทําให้สิ้นเปลืองเวลาและเปลืองโอกาสไ ป, ปเปล่าๆแท้ๆสมมุติว่าเราได้สัตว์ใหญ่สักตัวพอจะสต๊อกเนื้อไว้ได้ตั้งอาทิตย์แต่เราก็ไม่มีปัญญาจะขนไปได้อย่างมากก็เอาไปได้เพียงเล็กน้อยที่เหลือต้องทิ้งแล้วก็ต้องลําบากเสียเวลาหาใหม่อีกซึ่งไม่มีอะไรมารับรองได้ว่ายามที่ต้องการขึ้นมา มันจะมีมาให้เราหรือเปล่าผมว่าระยะทางเดินข้างหน้าของเรามีหวังได้อดกันบ้างก็ต้องเสี่ยงกันไปตามบุญตามกรรมนะครับเดีรับรู้สภาพนี้มาตั้งแต่ออกจากลมช่างแล้วอะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับเรื่องอาหารเลืน้ํานี่แหละเราจะไปกันได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญสองข้อนี้ความลําบากยากแค่นอื่นๆพอจะแก้ไขกันได้แล้วนี่จะฮิ้วกันไปทั้งตัวแบบนี้นะ่ะหร ตัวเล็กไม่หนักช้ำแหละตรงนี้ก็จะเสียเวลาไปเปล่าๆครับผมกะว่าเราจะหยุดพักที่เขาเกือกมาแล้วค่อยจัดการอาหารมื้อกลางวันวันนี้อาจจะล่าไปหน่อยนะครับเชิดเาพยักหน้าอืดีเหมือนกันถ้ายังไม่ถึงที่หมายเราจะไม่หยุดกินอะไรทั้งสิน้นถัดจากบริเวณเนินอันสลับซับซ้อนนั้นไปไม่มากก็ล่วงเข้าป่าหินอีกครั้งขณะเมื่อขึ้นไปยืนอยู่บนเนินของสุตสารและส่องดูด้วยกล้อง เห็นว่ามันเป็นบริเวณย่อมๆไม่สู้จะกว้างใหญ่เท่าใดนักแต่เมื่อต่างเข้ามาเดินดูจริงๆก็ไม่ทราบว่ามันจะไปสิ้นสุดเอาที่ใดเพราะแลไม่เห็นขอบเขตและคณะทั้งหมดที่รวมกลุ่มเข้าแถวกันเป็นขบวนก็ดูประนึ่งจะถูกกลืนหายเข้าไปในความลี้ลับซับซ้อนของก้อนหินใหญ่น้อยที่บังซ้อนกันอยู่ราวกระฉาดที่สร้างขึ้นนั้นพื้นเป็นกรวดสลับไปกับทรายหมู่ไม้ที่งอกขึ้นอยู่เป็นระยะ เป็นจำพวกกระบองเพชรและสลัดใดลักษณะแปลกๆเต็มไปได้วยน้ำอันแหลมคมและบางก็ออกดอกงามตามสีสันฉูดฉาดทำให้ทุกคนเพลินชมตามระยะที่ผ่านไปพอล่วงเข้าป่าหินซึ่งเต็มไปได้วยที่กำบางพรางตาไม่สามารถจะสังเกตภูมิประเทศ ร, รอบด้านไปได้ไกลรอบตัวพรานใหญ่ก็ไม่ทิ้งขบวนให้ห่างออกไปเหมือนตอนที่เดินอยู่ในทุ่งตรวจสอบไปตามพื้นทุกระยะทางผ่าน เวลาใดเวลาหนึ่งของการผ่านกันเข้าไปอย่างเงียบสงบนี้ใครคนหนึ่งก็เอ่ยขึ้นเบาๆเหมือนจะรำพึงถ้าหินหรือต้นกระบองเพชรแถบนี้สามารถจะพูดได้มันคงจะให้คำตอบว่าอนุชาวราริศกับพรานคู่ใจของเขาได้เคยผ่านมาทางนี้บ้างหรือเปล่าทุกคนหันเป็นตาเดียวผู้พูดน้ำเสียงเศร้าๆนั้นคือชา ย, ยัดก็ทาไมไม่ลองถามดูล่ะ เผื่อมันจะให้คำตอบออกมาได้คนที่เปรยสวนตอบมาลอยๆคือดารินวราฤทธิ์แล้วก็เงียบงันกันไปอีกเฉฐากำลังอยากจะเอ่ยพูดถามระพินในเชิงหารือขอความเห็นว่าหม่อมราชวงศ์อนุชาน้องชายผู้หายสาบสูญของเขามีเส้นทางผ่านมาด้านนี้บ้างหรือไม่แต่ก็ระงับความคิดนั้นซะเห็นว่าถามหรือพูดไปก็หาประโยชน์อันใดไม่ได้อีกประการหนึ่งพรานนาทางผู้ยิ่งยงของเขาผู้นี้ ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดอยู่แล้วระพินตรวจตรารอบคอบแทบทุกฝีก้าวย่างที่เขาผ่านไปเหมือนจะค้นหาร่องรอยหลักฐานให้ได้เผื่อว่านุ่มนักเสี่ยงโชคที่ใช้ชื่อปลอมว่าชดประชากรจะเคยผ่านมาบ้างจริงดังว่าไม่นานนักระหว่างทางเดินอันเลี้ยวลดไปในระหว่างก้อนหินและต้นกระบองเพชรนั้นระพินไพรวันหยุดชะงักพิจารณาอยู่ที่กิ่งต้นกระบองเพชรต้นหนึ่ง ซึ่งยื่นลำออกมานอกทางครั้งแรกไม่มีใครสนใจสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติอะไรทั้งสิ้นแต่เมื่อเห็นเขาหยุดแงนดูจึงพลอหยุดลงบ้างแล้วก็เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผิดประหลาดไปกว่าสภาพของธรรมชาติอันอ้างว้างสันโดษที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้เอ๊ะน่าคิดแฮะชายันร้องออกมาดังๆลืมตาโพลงจ้องเขม็งไปที่กิ่งสีนวลอ่อน เหมือนกลีบกระดังงาของพันไม้หนามที่งอกอยู่ตามพื้นทายกิ่งนั้นนั่นมันรอยถูกมีดฟันขาดด้วนเอาไว้ไม่ใช่หรอผู้กองระพินเช็ดเหงื่อบนริมฝีปากทุกคนก็จ้องขึ้นไปเป็นตาเดียวพรานใหญ่ดึงมีดโบวีออกจากซองข้างเอวส่งไรเฟิลให้ใชายันถือไว้แล้วกระโดดขึ้นฟันกิ่งกระบองเพชรเนื้อศีสะขาดหล่นลงมายาวประมาณสอกเศษ แล้วเขียวพิจารณาอย่างถี่ถ้วนปลายอีกด้านหนึ่งของมันมีรอยขาดด้วนหายไปและขาดเป็นแนวตรงเรียบอันน่าจะเกิดจากของมีคมสับไว้มากกว่าที่จะถูกอะไรกระทบหักแม้ว่ารอยแผลตรงที่ถูกตัดขาดจะแลดูเก่าแก่นานนมจนผิวที่มีรอยคล้ายมีดฟันไว้นั้นปรากฏดูดำเหี่ยวไปแล้วก็ตามเขาใช้ปลายมีดโบวีเสียบตรงกลางกิ่งยกขึ้นดู ในขณะที่ชุดกายลงนั่งคุกเข่าข้างหนึง่งลงกับพื้นทั้งหมดของฝ่ายนายจ้างชุดกายลงมุงดูด้วยรู้สึกว่าจะเป็นรอยมีดฟันไว้จริงๆนะครับพรานใหญ่พึมพำดูให้แน่ศิรพินถ้ามันเป็นรอยมีดจริงก็แปลว่าได้มีมนุษย์ผ่านทางนี้มาก่อนแล้วแกตัดไวซึ่งมนุษย์คนนั้นก็ไม่น่าจะเป็นใครอื่นอีกแล้วนอกจากอนุชาท่านหัวหน้าคณะพูดเร็วหรื อ, อยางตื่นเต้น กระพินพริกกิ่งกระบองเพชรจากปลายมีดในมืออยู่ไปมาแล้วกว่าตาไปรอบๆตามบริเวณพื้นแต่เขาก็ไม่สามารถจะได้ร่องรอยอะไรเพิ่มเติมอีกทั้งสิ้นมาเรียก้มลงมองจ้องจนใกล้แล้วบอกอย่างมั่นใจว่ารอยมีดร0อยเปอร์เซนตค่ะพี่ใหญ่มีใครตัดกิ่งกระบองเพชรนี้ไว้แน่ๆแต่รอยมานานมาแล้วนะคะอาจเป็นปีขึ้นไปแล้วกิ่งที่ถูกฟันขาดมันหายไปไหนดารินร้องขึ้น ไม่น่าสงสัยเลยน้อยระยะเวลามันผ่านมานานแล้วนะกิ่งที่ถูกฟันขาดจากต้นป่านนี้เปื่อยเน่าล ะ, ละลายไปกับพื้นทรายหมดแล้วมันไม่คงอยู่ได้นานนักหรอกเพราะมันเป็นไม้ที่ไม่มีแก่นและเปื่อยยุ่ยบุบสลายไปได้โดยง่ายส่วนด้านที่ติดอยู่กับลำต้นมันยังคงทนรูปรอยอยู่ได้เพราะต้นของมันยังไม่ตายว่าแต่พี่ชายของเธอเดินทางเข้าป่าหายไปนานสักเท่าไหร่แล้วนี่ประมาณปีเศษหรือเกือบสองปีค่ะ ทั้งนั้นก็ใกล้เคียงกับหลักฐานจากกิ่งกระบองเพชรที่ถูกฟันไว้นี่มากที่สุดแล้วคุณคิดยังไงไพวันประโยคหลังหลอนหันไปถามจอมพ่านระพินแม้มริมฝีปากนิดหนึ่งขณะนั้นพวกลูกหาบที่เดินเข้าแถวอยู่เป็นขบวนทำท่าจะหยุดรอคณะเจ้านายเขาจึงโบกมือสั่งให้เดินล่วงหน้าไปก่อนโดยไม่ต้องเสียเวลาคอยผมก็อยากจะลงความเห็นว่ามันเป็นมีดที่ฟันไวและถ้าเป็นรอยมีดจริง นี่ก็คือหลักฐานชิ้นแรกที่จะยืนยันได้ว่ามีมนุษย์เคยผ่านทางนี้ส่วนจะเป็นบุคคลที่เราติดตามอยู่หรือเปล่าก็ไม่มีอะไรมายืนยันได้คุณแน่ใจไหมละ่ะว่ามันเป็นรอยมีดดารินถามมองนะ่ะพรานใหญ่ไม่มองตอบลักษณะของเขากำลังคิดอะไรอยู่แต่ปากก็บอกว่าแน่ใจครับถ้างั้นก็ไม่มีปัญหาที่จะต้องคิดอะไรอีกแล้วลพี่กลางแนะ คนอื่นใครที่ไหนจะผ่านมาทางนี้และพอสันนิษฐานได้ไหมว่าทำไมจึงฟันกิ่งกระบองเพชรนี่ไว้ใครก็ตามที่ฟันกิ่งกระบองเพชรกิ่งนี้ไว้อาจกระทำลงไปโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมีความหมายอื่นใดทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเดินผ่านมากิ่งมันเกะ ก, กะขวางทางก็เลยฟันทิ้งผมยังไม่พอใจต่อหลักฐานที่เห็นนี่นักเพราะมันยังไม่ชัดเจนพอที่จะลงความเห็นว่าเป็นคุณชายอนุชาหรือนานอิน อาจเป็นคนอื่นที่ผ่านมาในระยะเวลาปีเศษดังกล่าวนี้ก็ได้และคนคนนั้นหรือกลุ่มนั้นก็ผ่านมาทงที่ผ่านมาทางนี้จะต้องมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกับคุณชายอนุชาหรือพวกเราในขณะนี้นั่นเองคือมุ่งเทือกเขาพระศิวะถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่น่าจะแพ่่ผ่านผ่านเส้นทางนี้ขุมเพชรพระอุมาเป็นสิ่งดึงดูดล่อใจมนุษย์มาหลายศตวรรษแล้วระยะเวลาประมาณี่รอปีเศษที่ล่วงมา อาจมีคนนับจํานวนไม่ท้วนทีเดียวที่มุ่งเดินทางมาและหายสาบสูญไปโดยไม่มีโอกาสจะกลับออกไปสู่โลกภายนอกเพื่อบอกให้รู้ได้ว่าเขาเผชิญกับอะไรบ้างแต่สิ่งที่ผมแน่ใจที่สุดก็คือไม่มีใครรอดตายกลับไปสู่โลกภายนอกได้ซักคนเดียวทําให้เถือกเขาพระศิวะและขุมเพชรแหล่งนั้นกลายเป็นความลี้ลับมืดมนมาจนกระทั่ง ทุกวันนี้ต่างเงียบกันไปขณะหนึ่งได้แต่มองหลักฐานจากกิ่งกระบองเพชร ท, ที่ถูกฟันไว้นั้นพร้อมทั้งจมอยู่ในความคิดนี่ดูเหมือนจะเป็นร่องรอยวิเววการผ่านของมนุษย์ได้ค้นพบกันเป็นครั้งที่สองนับตั้งแต่พบซากโครงกระดูกและสมุดบันทึกตลอดจนสมบัติข้าวของของแจนครเมอร์นักสำรวจชาวดัตช์ที่มาเสียชีวิตในโดงของต้นไม้กินคนซึ่งผ่านกันมาแล้ว ตอนเหยียบเข้าแดนอาถรรพ์แห่งนิทรานครผิดกันแต่ว่าหลักฐานที่ได้พบจากโครงกระดูกของเครมเมอร์นั้นบอกให้ทราบถึงมรณกรรมสยองซึ่งผ่านมาร่วม40สปีแล้วแต่หลักฐานที่ฟันกิ่งกระบองเพชรไว้ห่างเพียงชั่วปีเศษนี้เองซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชดประชากรกับหนานอินพรานคู่ใจของเขาสาบสูญเข้ามาในบริเวณนี้ อ่ะสมมุติว่าเป็นอนุชาผ่านมาทางนี้เชิฐาเอ่ยขึ้นแผ่วเบาจากสิ่งที่เราผ่านประจนกันมาแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะผ่านนิทรานครมาได้อย่างไรเขาไม่โดนอาถรรพ์อันไรยกาดของอาณาจักรผีสิงนั้นเล่นงานเอาถึงชีวิตก่อนแล้วเหรอเพราะแจนเครเ ม, มอร์กับคณะก็พิฆาตไปก็พินาศไปก่อนแล้วเมื่อสี่สิบปีก่อนขณะที่ล่วงพ้นเข้ามา ตามหลักฐานที่เราพบรปินสันหน้ายัางอับจนต่อความคิดผมเองก็ยังนึกไม่ออกครับแต่อยากจะเชื่อว่าถ้าสิ่งที่เราเห็นอยู่นี่เป็นร่องรอยของคุณอนุชาหรือนายชดประชากรจริงก็แปลว่าคุณชายยังมีชีวิตรอดอยู่จนกระทั่งผ่านมาถึงเส้นทางนี้ส่วนจะผ่านนิทรานครหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรมายืนยันได้ บางทีคุณชายอนุชากับนานอินอาจไม่พบในสิ่งที่เราพบมาแล้วก็ได้หรือมิฉะนั้นก็เดินคนละเส้นทางกับเราทำให้ผ่านดินแดนนั้นมาเสียโดยไม่ข้องแวะระหว่างทางเดินของเราตั้งแต่ระยะ น, นี้เป็นต้นไปตรวจหาหลักฐานต่อไปดีกว่าชัยยันว่าถ้านุชาผ่านบริเวณนี้จริงก็น่าจะค้นพบอะไรเพิ่มเติมอย่างน้อยที่สุดเขาก็จะต้องหยุดพักในละแวกนี้ ไม่ไกลนี้นักครับผมก็พยายามกำลังพยายามอยู่แล้วครับพรานใหญ่ตอบรับและชวนให้ทั้งหมดออกสาวเท้าตามหลังขบวนลูกหาบที่ล่วงหน้าไปอย่างเร่งรีบภาพของคนเหล่านั้นลับหายไปจากสายตาแล้วเพราะเงาบางของก้อนหินแต่ก็ยังได้ยินเสียงฝีเท้าถนัดห่างกันไม่ไกลนักสี่คนของคณะนายจ้างเริ่มช่วยกันสอดสายสายตา เพื่อจะค้นหาร่องรอยเพิ่มเติมอื่นๆดารินนั้นตลอดเวลาไม่เคยเดินในลักษณะสำรวจตรวจตราใดๆเลยมีหน้าที่เดินหล่อนก็เดินตามคณะพักไปอย่างเดียวเพราะถือว่ามีคนนำอยู่แล้วครั้นเมื่อมีอะไรมาทาให้ต้องทีท่วนต่อการสังเกตขึ้นหล่อนก็งงชะ ง, งักต่อรอยเลือดที่เห็นหยดเรียรายอยู่เป็นระยะตามพื้นกรวดทรายที่ผ่านไปแต่แล้วก็ถอนใจโล่งอก เท่าๆก็รู้สึกกระดากอายในความไม่ประสีประษาของตนเองเมื่อมาเรียจับแขนไว้กระซิบอย่างรู้ทันว่าอย่าไปสนใจกรอยเลือดนั่นเลยน้อยจะไม่ได้เลยว่าแงซายกับขยินก็หาบกวางไปด้วยเลือดกวางมันหยุดน่ะไม่มีอะไรหรอกเปล่าฉันดูอย่างอื่นน่ะพื้นกรวดทรายแถบนี้ลักษณะผิดไปจากที่ผ่านมาแล้วสีมันออกเทาๆยังไงพีก่กนลนกลบเกลื่อนแก้เกิด เพื่อไม่ให้เพื่อนสาวจับได้ถึงจุดอ่อนมาเรียไม่สนใจอะไรนักต่อคำกล่าวแก้ของดารินตาสีเขียวกราดไปรอบๆเต็มไปด้วยประกายขบคิดฉันรู้สึกว่าป่าหินบริเวณนี้มันมีอะไรแปลกไปมากเหมือนกันลักษณะของพืชพันธุ์เนื้อหินและซากของตอไม้ตลอดจนสิ่งแวดล้อมอื่นๆมันเก่าแก่โบราณก่อนยุคประวัติศาสตร์ทั้งสิ้น คล้ายๆจะเป็นภูมิประเทศในยุคไพลอซีนนั่นแหละเราเห็นจะเดินหลงเข้ามาในอดีตการของโลกซะแล้วล้น้อยบางทีฉันรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งที่มองเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นภาพหลอนอยังไงพี่กลแต่นักภูมิศาสตร์โบราณก็บุยปากให้นักมานุษย์วิทยาดูไปยังตอไม้ขนาดเรื่องต่อหนึ่งริมทางที่ผ่านไปบอกต่อมาว่าซากตอไม้นั้นถ้าเราสามารถถากเอาเศษเนื้อไม้บางส่วน ไปตรวจสอบตามระบบชาคอนเทสเราจะคำนวณหาอายุไขของมันได้ทันทีฉันว่าอายุของมันเห็นจะไม่ต่ำกว่าส0สล้านปีขึ้นไปหินพวกนั้นก็เหมือนกันบางก้อนเป็นลูกอุกาบาต ท, ที่ตกมาจากดาวดวงอื่นนานแล้วแต่รอยที่มันเคยลุกโชนเป็นลูกไฟขณะที่หล่นเสียดสีชั้นของบรรยากาศโลกลงมายังพอเหลืออยู่ให้เห็นสเก็ต ด, ดาวเหล่านั้น บางก้อนรู้สึกว่าจะหนักตั้งสามสี่สิบตันเนี่ยสำหรับฉันดูไม่ออกหรอกรู้แต่เพียงว่ามันไม่เหมือนทุกป่าที่เคยผ่านมาและไม่คิดว่าจะได้เห็นที่ไหนนอกจากในภาพวาดตามความคิดคำนึงของจิตรกรเท่านั้นมันเป็นพื้นภูมิประเทศที่แปลกประหลาดน่าอัศจรรย์ใจมากน้อยพี่ชายของเธอคนที่เรากาลังตามเขาอยู่เนี่ยเขาเป็นคนยังไง มาเรียเปลี่ยนเรื่องคุยค่าเวลาในระหว่างเดินเคียงไปด้วยกันอีกฝ่ายหนึ่งหน่าสลดลงในทันทีถอนใจพี่กลางนะเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์แล้วก็อาพับมีปมด้อยฝังแน่นอยู่ในใจตลอดเวลาว่าพ่อของเราไม่รักเขาและได้รับความอายุติธรรมมาตลอดแต่ความจริงเนะี่ยฉันรักและเห็นใจเขามากนะเขาเกิดเรื่องทะเลาะรุนแรงกับพ่อและพี่ใหญ่แล้วก็หนีออกจากบ้านไปตอนนั้นนะ่ยฉันยังอยู่ที่อังกฤษ ถ้าฉันอยู่ตอนนั้นเรื่องก็จะไม่ยุ่งยากลุกลามใหญ่โตถึงเพียงนี้หรอกฉันเป็นน้องสาวคนเดียวที่เข้ากับพี่ชายทั้งสองคนได้แต่ระหว่างพี่ใหญ่กับพี่กลางนะ่ะเมื่อ่อยจะกินเส้นกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมีเรื่องอะไรเหรออย่าถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของพี่น้องเราเลยเมมันทำให้ฉันไม่สบายใจขอโทษที่รักพี่กลางนะ่ะเขาเป็นคนมีทิฐิมากที่สุด แล้วก็เป็นนักต่อสู้เผชิญโชคเผชิญภัยมาแต่ไหนแต่ไรล้วดูผัดผาดว่าชีวิตของเขาลุ่มลุ่มดอนดอนไม่เอาทานเรียนอะไรก็ไม่เคยสําเร็จพ่อว่าเขาดีแต่ท่องเที่ยวเป็นบุรุษเจ้าสําราญผลานเงินแล้วก็ทําอะไรต่ออะไรหลายครั้งให้เสื่อมเสียมาถึงวงตระกูลของเราแต่ฉันรู้ว่าเขาเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวทีเดียวลักษณะของเขาไปคนละแบบกับพี่ใหญ่ทั้งทั้งที่รูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกันเหมือนลูกแฝด ถ้าเธอรู้จักเขาฉันว่าเธอต้องชอบเขามาเรียมองดูราชสกุลสาวอย่างเห็นใจฉันก็หวังไว้เช่นนั้นนะน้อยหล่อนบอกอย่างเอาใจประกายตาปลอบโยนและพี่ใหญ่ของเธอนึกยังไงขึ้นมาถึงได้ยอมลงทุนชีวิตเสี่ยงตามหาน้องชายของเขาก็ไหนว่ากโกรธกันถึงขั้นตัดญาติขาดมิตรไม่ใช่เหรอเมขึ้นชื่อว่าพี่น้องนะยอมตัดกันไม่ขาดหรอก และขณะนี้พี่ใหญ่ก็รู้สึกตัวแล้วว่าเขาใจดำกับพี่กลางมากคนเราอ่ะเมื่อมีโอกาสได้คิดก็อาจมองเห็นอะไรต่ออะไรในด้านดีงามขึ้นมาได้ถ้าหากว่าธรรมชาตินิสัยส่วนตัวยังมีคุณธรรมแฝงอยู่บ้างฉันไม่อยากจะโทษอะไรทั้งสิ้นนะนอกจากถือว่าเป็นเรื่องของพรหมลิขิตเวรกรรมที่พี่น้องจะต้องพลัดพรากจากกันขณะที่กล่าวดารินรวราริศน้าตาคลอ เสียงพูดแหบหายไปในลำคอเพื่อนสาวต่างผิวยิ้มให้โอบแขนมาประคองกอดไว้อย่าวิตกคิดมากอะไรไปเลยน้อยถึงแม้ฉันจะไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยกับเรื่องครอบครัวพี่น้องของเธอและแม้ว่าจะไม่ได้ร่วมความคิดในการติดตามมาด้วยตั้งแต่ต้นนอกจากความจำเป็นทำให้ต้องมาร่วมทีหลังฉันก็รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของฉันเหมือนกันที่จะค้นหา คนสาบสูญใจเด็ดผู้นี้ให้ได้และอยากแกคิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่เราต้องพบเขาแน่แน่ช้าหรือเร็วเท่านั้นฉันมีสังหรณ์ที่ดีเช่นนั้นนะดารินยิ้มเศร้าๆหันมามองหน้าและกอดตอบเมย์บางขณะเธอเป็นคนน่ารักมากนะใช่ฉันรู้ตัวบางขณะเธอก็เป็นเห็นว่าฉันน่าเกลียดน่าหมันไส้ที่สุดแต่อย่าถือสาช่นนันนะน้อย เราจะรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเช่นนี้ตลอดไปไม่ว่าเราจะตายด้วยกันในการเดินทางครั้งนี้หรือว่าแยกกันไปอยู่สารทิดใดเมื่อไหรหวังว่าเราไม่ลืมเหตุการณ์ที่ร่วมกันคราวนี้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นหนักเบาอะไรบ้างก็อย่าถือเลยนะทั้งสองหญิงยิ้มให้แก่กันด้วยความยั่งซึ้งถึงแกนใจกันและกันอย่างแน่นสนิท ฉัไม่เคยนึกเกลียดเธอเลยนะเมย์ไม่ว่าบางขณะจะยอมรับว่าหมันไส้อยู่บ้างเหมือนกันเธอก็เหมือนเด็กชนชนคนหนึ่งว่าแต่นี่แนะ่ถามจริงเหะเมื่อบ่ายวานตอนที่เธออาบน้ําอยู่ที่ทานคนเดียวตอนยิงเสือเขี้ยวดาบหลังจากได้ยินเสียงปืนน่ะฉันได้ยินเสียงเธอร้องวายนะทำนองคล้ายๆตะโกนเรียกฉันบอกว่าพลาวานลวนลามไม่ใช่เหรอเออแล้วเรื่องเป็นไงมาเรียหัวเราะ อ, อย่างเปิดเผยตอบว่า ก็ไม่ได้เกิด อ, อะไรขึ้นหรอกน้อยบางที่หูเธอจะฝาดไปเองมั้งฉันไม่ร้องอะไรสักอย่างเดียวเชื่อเถอะไพรวั น, นเป็นสุภาพบรุษที่สุดเขาไม่เคยทำอะไรที่ไม่สมควรซึ่งจะทำให้ใครหมิ่นน้ำใจได้หรอกแม้แต่ผู้หญิงเร็วๆอย่างฉันก็ตามดารินมองดูแม่เพื่อนสาวต่างผิวอย่างรู้เท่าทันในอาการกลบเกลื่อนอัมพรางแต่ก็ยิ้มห้อย่างไม่ถือสาเป็นอารมณ์อย่างน้อยที่สุด หล่อนก็พอใจที่จะได้ยินมาเรียเอ่ยถึงคนคนนั้นในลักษณะยกย่องคาราวะเช่นนี้ใช่ทำไมหล่อนจะไม่รู้ว่าเขาผู้นั้นเป็นสุภาพบุรุษเพียงไหนเว้นไว้แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าบุคคลที่สามหล่อนจะแกล้งทำเป็นไม่รู้เช่นเท่านั้นทุกคนยังเดินไล่หลังขบวนลูกหาที่ล่วงหน้าไปก่อนและยังไม่สามารถจะเห็นท้ายขบวนได้จากเงาบางของหมู่หิน ท่นใดนั้นเองก็ปรากฏเสียงร้องเอโอะโวยวายกันขึ้นอย่างตโนกตกใจฟังไม่ได้สับเสียงคำรามสนั่นของอะไรชนิดหนึ่งแล้วกำปนาของไรเฟลิลก็กึกก้องขึ้นกรอบหมดทุกเสียงรพินกับเชิดาซึ่งเดินอยู่เบื้องหน้าถลันออกวิ่งตามไปหนทางระหว่างช่องแคบๆนั้นอย่างลืมตัวไิปานั้นเองเงาที่กระทบแสงแดดที่สาดลอดแง่หินลงมาแลยเห็นชั่วแวบเดียวว่าเป็นสีเหลืองฟางก็ตะกายสวยนย้อนมาตามช่องทางนั้น พร้อมกับปา ก, ก็อ้าแดงฉานและเห็นคี้ยวคู่บนขาวับราวกับดับลบเร็วจอมพรานตะโกนเสียงหลงตัวเขาเองเพ่นเข้าปะทะเชิดขาวราริดกระชากไอหน้าขมำออกพ้นทางเข้าไปกลิ้งคลุกคลักอยู่ด้วยกันในซอกขินชายายมซึ่งกระเราะกระร่ามาเป็นบุคคลที่สองแบบนี้ยืนตะลึงพึงเพิดยกปืนขึ้นไม่ทันและไอมารุตยุเคเชี่ยดาตัวขนาดสิงโตคึงเคืองๆก็พุ่งผ่านเลยระพินกับเชิดาตรงบาดิเข้าพอดี อดีตนายทหารปืนใหญ่ร้องตวาดลั่นออกไปสุดเสียงไม่ได้มีเจปัญนาอะไรทั้งสิ้นนอกจากความตกใจแล้วหงายหลังตึงเจ้าสัตว์ร้แพทย์คำรามสนันกระโจนข้ามศีรษะของเขาเลยไปอย่างบุบวิดแล้วคราวนี้ก็ปะทะเข้ากับสองหญิงซึ่งเดินเคียงกันอยู่ท้ายขบวนพอดีซึ่งไม่อาจบรรยายได้ถูกว่าทั้งดารินและมาเรียขณะ น, นี้ตกอยู่ในภาวะเช่นไรจากสิ่งที่จู่โจมกระทันหันที่สุดโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวล่วงหน้า ดารินทําได้แต่เพียงแค่ขยับจะปลดไรเฟื่อนลงจากการสะพายไหลส่วนมาเรียนนั้นถือนในมืออยู่ก่อนแล้วแต่ยังไม่ทันจะได้ตวัดยกขึ้นร่างอันใหญ่โตเต็เมไปด้วยพลังน้ำก็พรวดเข้าชนอาจจะเป็นเพราะมันเองก็ตกใจด้วยเช่นกั น, นแทนที่จะขย่ำลงเขี้ยวเล็บกลับปรากฏว่าวิ่งเข้าป่าเฉยๆทั้งสองลมกลิ้งระเนระนาดกันไปคนละทางโดยเฉพาะดารินศีษะปักลงกับพื้นตีลังกาสองทอดไม่รู้เหนือรู้ใต้ ไอเสือเขี้ยวดาบขนาดใหญ่เพ่นตะกายขึ้นยอดหินในพริบตาต่อมาใครคนนึงในกลุ่มพวกลูกหาบที่ล่วงหน้าไปก่อนย้อนกลมาติดๆระพินกับเทียดท้ายังไม่ทันจะเพ่นขึ้นมาคนคนนั้นก็ผ่านวูบตรงบริเวณที่ทั้งสองลมขมำอยู่แล้วกระสุนขนาดจุดสามห้ามก็ดังสะเทือนหุบหินขึ้นอีกครั้งพร้อมกับอากาศที่กดวูบกระหนตัวทคนที่ล้มนัวเนียกันอยู่ในลักษณะต่างๆ ก่อนที่ร่างของเสือใหญ่จะแผ่นผนต่อไปนั่นเองมันก็กระโจนทะลึ่งโลดขึ้นสุดช่วงตัวพลิกงายท้องลงมากระแทกพื้นเสียงพลากสนัน่นบุดวิกจะหล่นลงมาทับมาเรียผู้กำลังตะเกียกตะกายคลานอยู่กับพื้นชักพลาดพลาดแทกดิ้นตีแปลงเป็นวงกลมท่ามกลางกองเลือดที่ทะลักปลีเมื่อ น, นั่นเองทุกคนจึงพอจะมองเห็นว่าอะไรเป็นอะไรและใครอยู่ที่ไหนบ้าง ในกลุ่มสับสนนวเนียเมื่อครู่นี้แง่ทายตบลูกเลื่อนกระชากปอกกระสุนทิง้งแล้วตบคืนเข้าที่พร้อมกับบรรจุนัดใหม่เข้ารังเพลิงวิ่งเยาะๆหยะตรงเข้าไปยังซากเสือร้ายซึ่งบัดนี้สงบ ก, การดิ้นลงแล้วมีรอยกระสุนเจาะสองนัดนัดแรกผ่านช่องทองซึ่งทำให้มันวิ่งปัดเปยสวนทางกับกลุ่มของนายจ้างเมื่อยกยกนี้ส่วนอีกนัดหนึ่งเจาะเข้าศีรษะด้านข้าง ระเบิดออกมากลางสมองอย่างเฉียบขาดเจ้าคนพเนจรหันไปประคองนายหญิงให้ลุกขึ้นมาก่อนต่อมาก็ส่งมือไปฉุดมาเรียให้ยืนขึ้นมาเป็นเวลาเดียวกับที่พรานใหญ่เชิดถาและชัยันวิ่งเข้ามาถึงอย่างกระหืดกระหอบทุกคนดูเหมือนจะยังมึนงงจับต้นชนปลายไม่ถูกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันรู้ตัวล่วงนะหน้าห่างออกไปเบื้องหนะ้าในเงาบางของู่หิน เสียงพวกลูกห่าวยังพูดกันอย่างตื่นระหนกโวยวายอยู่เช่นนั้นอีกสองคนดูเหมือนจะเป็นขยินกับเกิดถือปืนวิ่งย้อนหลังกลับมาด้วยอาการตื่นเลิกหลักมันมันมันกระโจนลงมาจากยอดหินริมทางผ่านขย่้สร้างปลาซึ่งเดินเดียวอยู่ท้ายขบวนแงใสเอ่ยขึ้นด้วยเสียงห้าวลึกท่ามกลางอาการตะลึงงงของทุกคนที่เข้ามามุงล้อมอยู่ขยั่นสร้างปลาดารินร้อง ลืมตากว้างมาเรียภาวาสะดุ้งขึ้นหลอนได้ยินแต่คำว่าสางปลาแต่ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องทว่าก็พอจะเดาความหมายไปในทางรายหันขวับไปจ้องแงซายแต่ยังไม่อาจจะอ้าปากถามคำใดขึ้นมาแงซายรายงานต่อไปโดยเร็วว่าเราทุกคนไม่ทันระวังตัวครับของยังแบกอยู่บนบ่ากว่าผมจะสลัดของหลุดหยิบ ป, ปืนสางปลาก็ล้มลงไปแล้วนัดแรกยิงไม่เข้าที่สาคัญมันพระสรางปลาวิ่งมาทางนี้ ผมกลัวตามมาแล้วแล้วแล้วสางตาเป็นยังไงบ้างเสียงละล่าละรักร้องถามขึ้นพร้อมกันหมดยกเว้นมาเรียคนเดียวที่ยังยืนงงผมไม่ทราบครับยังไม่ทันดูพอมันพลาดจากสางาังตาผมก็ตามมาติดๆสางตาล้มคว่ำหน้าลงไปไอเสือใหญ่ตัวนี้กัดติดหลังขณะที่ผมหันมายิงนัดแรกแงส า, ายบอกโดยไม่เอ่ยคําใดกันอีกเลยทั้งหมดพากันวิ่งอย่างเร่งรีบตรงไปยังตําแหน่งที่เกิดเหตุทันที เขารับมุมก้อนหินใหญ่ที่บงังทางหักโค้งอยู่ตามช่องทางเดินต่างก็เห็นจันทร์บุญคำและเซยรุมล้อมประคองเจ้าตองสูงอยู่ริมทางพร้อมกับพูดกันเอะอะลงเลงทั้งสามคนมุงล้อมบังภาพไว้ทำให้มองเห็นไม่ถนัดลักษณะเช่นนั้นทำให้ฝ่ายที่เล่นมาเป็นพรวนใจหายวาดคิดว่านั่นคือวาระสุดท้ายของสางปลาซ เ, เป็นแน่แท้มาเรียร้องเรียกชื่อเจ้าท่าตองูงของหลอนแหลมกรี๊ และทลันพรวดเข้ามาถึงก่อนใครกระชากไหลบุญคำกระจันซึ่งยืนบางหน้าอยู่ให้ห่างออกไปและทุกคนก็แลเห็นด้วยกำลังใจที่ดีขึ้นสางปาไม่ได้นอนหรือมีอาการเข้าขั้นรีทูดอย่างที่ทุกคนนึกไว้หากแต่นั่งเหยียดขาอยู่กับพื้นหน้าซีดเปื่อเนื้อตัวก็ไม่มีบาดแผลหรือรอยเลือดอะไรทั้งสิ้นนอกจากดวงตาอันแสดงถึงความตกใจขีดสุดเท่านั้นมารีร้องถามเร็วหรือจับตัวคนของหลอนเขย่า และสำรวจไปโดยทั่วทั้งตัวเจ้าตองสูยังพูดอะไรไม่ออกในขณะนั้นนอกจากกรอกหน้าช้ยันกรรพินก็ถลันเข้ามาคนละด้านช่วยกันประคองหิ้วปีกมันให้ยืนขึ้นสางป้าจะไม่ได้เป็นอะไรไม่ใช่หรอครานใหญ่ตะโกนกรอกช่องหูนั่นเท่ากับเป็นการปลุกให้สางปาคลายตะลึงคืนสติขึ้นมามันเลิกหลักมองคนโน้นทีคนนี้ทีพรางก้มลงสำรวจตัวเองอย่างง ง, ง แล้วหัวเราะแบบไม่มีเสียงเห็นแต่ฟันสีกระดำกระด่างหัวใจสางปาหยุดไปพักหนึ่งนายแต่ตอนนี้หัวใจสางปลาเต้นได้แล้วรพินจับตัวมันหมุนให้หันหลังมาและทุกคนก็อุทานออกมาเป็นเสียงเดียวต่อภาพที่เห็นสัมภาระห่อใหญ่ที่บรรทุกติดอยู่บนหลังของเจ้าสางปาซึ่งบังตั้งแต่ต้นคอลงไปจนกระทั่งถึงก้น ทำให้คอมันงอคุ้มราวกับกระดองเต่าในขณะที่เดินไปนั้นผ้าพลาสติกที่ปกคลุมห่อไว้อีกชั้นหนึ่งแหกขาดกระจุยไปด้วยคมเขี้ยวและคมเล็บราวกับใครเอา ม, มีดอันคมกริบมากระชากสัมภาระห่อโตที่บังอยู่บนหลังแพรนชาวตองสู่ของมาเรียนนั่นเองสัมภาระห่อโตนั่นเองที่ช่วยชีวิตมันไวราวกับปาฏิหาริขณะที่ไอเสือซาเบลกระโจนเข้าตะปบ ถ้าปรา จ, จะจากสัมภาระห่อนีซะแล้วเจ้าสร้างตาคงจะถูกคมเคียวขยํำขาดเละไปแล้วทุกคนถอนใจออกมาอย่างโล่ง อ, อกมาเรียนนั้นทำตาเหลือขึ้นไปดูบนท้องฟ้าแล้วอ่อนแรงลู่ลงไปนั่งกับแง่หินโอ้กอดเป็นมหาการุณาธิคุณในพระเมตตาครั้งนี้สัางตาเอ้ย ดวงเจ้ามันช่างแข็งดีแท้ฉันนึกว่าจะได้เห็นแต่ศพของเจ้าเท่านั้นโธ่ไอเวนซางตานี่มึงไม่ได้เป็นอะไรเลยเหรอก็นึกว่ามึงตายโงไปซะแล้วช่วยกันยกขึ้นมาเห็นนั่งตาค้างบุญคำร้องออกมาบรรยากาศมันเคร่งเครียดใจหายใจความก็คลี่คลายไปในทันทีนั้นต่างหัวเราะกันออกมาได้ ยิ่งเห็นสีหน้าอันปอหลอของสางตาและห่อสัมภาระที่ถูกฉีกขาดรับคมเขี้ยวของเจ้าเสือเขี้ยวดาบป้องกันชีวิตมันไว้ได้อย่างอัศจรรย์ทุกคนก็ยิ่งขบขันช่วยกันตรวจดูบาดแผลตามเนื้อตัวของสางตาและผููจาแซากถามกันแซกโดยเฉพาะดารินซึ่งยังไม่ไว้ใจนะักหล่อนสั่งให้สางตาปลดสัมภาระลงจากหลังและตรวจร่างกายโดยละเอียดแต่ก็ไม่พบว่าจะมีอันตรายใดๆ เกิดขึ้นจากเขี้เล็บของไอ้เสือรายทั้งสิน้นแม้ตะปบขยํำลงมาเต็มที่ก็จริงแต่หอของรับไว้ซะ ก, ก่อนไม่ถึงผิวเนื้อมีแต่รอยที่ถูกปะทะล้มลงไปหนูแก้มกระทบแง่หินช้ำเขียวไปเท่านั้นเทว่าก็แน่ละตัวมันเองและทุกคนที่เห็นเ ห, นเหตุการณ์แทบจะช็อกไปด้วยความตกใจทีเดียวดารินหัวเราะเสียงใสเอามือลูบขยี้หัวคนใช้ของมาเรียอย่างปราณี แล้วหันมาบอกทุกคนว่าบุญเหลือเกินที่สางตาแบกของสูงท่วมหลังนี่ถ้าเดินตัวเปล่าป่า น, นี้คอหักไปแล้วมันกระโจนลงมาฝังเขี้ยวเต็มที่เลยเออสิ้นเคราะหไปทีเมื่อกี้ในะใจหายหมดต่อไปนี้ถ้าเดินผ่านไปในระหว่างป่าหินเห็นจะต้องระวังตัวกันแจทีเดียวความจริงพวกเราก็ไม่ได้ประมาทกันเลยนะเพียงช่วโอกาสเผลอนิดเดียวลงมาอยู่ใต้ขบวนกันหมด ปล่อยพวกลูกหาบล่วงหน้าไปตามลำพังไม่ถึงสิบนาทีเท่านั้นเกิดเรื่องจนได้และนี่ก็ดีที่มันเพ่นเข้าเล่นงานสัางปลาที่มีของแบกอยู่บนหลังถ้ามันเล่นงานคนอื่นปานนี้คงเสียชีวิตไปแล้วเชิฐาเอ่ยขึ้นอย่างอ่อนใจสีหน้าไร้เหี่ยแต่เต็มไปได้วยความยินดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายพวกพรานพื้นเมืองที่ร่วมเห็นเหตุหการณ์ตอนฉุกเฉินขีดสุดชิงกันรายงานภาพที่ตนเห็นจากมุมต่าง ให้พรานใหญ่และคณะนายจ้างฟังแซดไปหมดทุกคนยืนเดียวยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่ากําลังเดินกันอย่างเผลอตัวไม่คิดว่าไอ้เสือเขี้ยวดาบซุ่มรอจังหวะอยู่ก่อนแล้วบนยอดหินกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ได้ยินเสียงโฮเข้าใส่ของมันและเหลียวมาเห็นสางตาควา่ำคำํ า, มามหน้าลงไปซะแล้วโดวยมีร่างอันใหญ่คล่อมกัดติดหลังลงไปสางตาเดินอยู่ใต้ขบวนและเดินเดียวจึงเป็นโอกาสในการเลือกจู่โจมของมัน หลายคนมัวแต่ตะลึงตกใจเพราะเหตุการณ์กระทันหันตอนทีเผลอกว่าจะทิ้งหาบลงจากไหลก็เห็นมันกำลังฆ้าทางด้านหลังของเจ้าตองสู่เตรียมจะพากระโจนแยกเข้าข้างทางจังหวะ น, นั้นเองแง่ายซึ่งสติดีและไวกว่าทุกคนได้ลั่นกระสุนนัดแรกขึ้นมันล้มกลิ้งพระห่างร่างของสางปลาออกไปพอทรงตัวขึ้นได้ก็วิ่งสวนไปเบื้องล่างก็วิ่งสวนไปเบื้องหลังซึ่งเหตุการณ์ตอนนั้นเอง ที่มันเล่นสวนทางกับคณะนายจ้างผู้ซึ่งแต่ละคนก็รับมือไม่ทันในภาวะที่เกิดขึ้นยังฉับพลันกระทันหันที่สุดอลมานกระจับกระจายกันไปทั้งขบวนโชคดีที่เงายายตามกวดไปและสังหารลงได้ก่อนที่มันจะเตลดิดหนีหรือขย่ำใครเข้าอีกดารินหันไปมององค์ครักพิเศษประจำตัวของหลอนอย่างชื่นชมยินดีและตบหลังเบาๆดีมากเงาายเธอเข้มแข็ง รวดเร็วต่อเหตุการณ์ไว้วางใจได้เสมอไม่เสียแรงที่พวกเรามอบความไว้วางใจให้ถ้าไม่มีเธออยู่ในเหตุการณ์นี้สักคนเดียวสางตาและพวกเราคนอื่นๆคงจะได้รับอันตรายถึงชีวิตไปแล้วแต่ฉันก็เห็นใจเธอมากนะไหนจะต้องหาของหนักอยู่บนไหลไหนยังจะต้องคอยระวังคุ้มภัยให้ตัวเองและคนอื่นอีกด้วยมันเป็นภาระที่หนักไม่ใช่น้อยพางหลอนก็หันไปทางบุญคาชี้หน้าต่อว่า พวกเราดีสิไม่เป็นเรื่องดีแต่ร้องโวยวายเต้นเป็นเจ้าเข้ากันไปหมดทุกคนเกิดเหตุขับขันก็นจริงๆหมัวแต่ตะลึงช้ากันไปหมดช่วยเพื่อนไม่ทันบุญคำยิ้มแห้งๆพูดเสียงอ่อยโถ่นายหญิงไม่ทันรู้ตัวเลยกำลังหาบของก้มหน้าก้มตาเดินกันอยู่พรวดเดียวมันก็โจนลงมาถึงตัวไอ้สางปาแล้วถึงไอ้แง่ซายก็เหอะถ้าสางตาไม่มีของบรรทุกไว้บนหลัง มันก็ช่วยสั่งตาทันไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ทันหรอกขย้ำกลุ่มเดียวขมองแหลกไปแล้วปืนมีก็สะพายอยู่บนไหล่ของก็หาบหนักกว่าจะทิ้งของกว่าจะฉ่วยปืนขึ้นมามันฉุกเฉินกระทันหันจริงๆนะนั่นดีว่ามันเลือกฟัดไอสั่งปลามีห่อของกําบังไว้ถ้ามันโจรเล่นบุญคำหรือคนอื่นก็ตายกันไปแล้วแต่ไงทายมันก็นับว่าเร็วดีแท้ ลูกปืนที่มันยิงเสือนัดแรกเฉียดหูบุญคําไปกระเบียดเดียวเท่านั้นแหละพรานใหญ่สั่งให้พวกลูกหาบทุกคนช่วยกันเก็บหีบ่อสัมภาระที่ตกกระจายเรี่ยราดอยู่ยกขึ้นหาบและให้เดินทางต่อไปทันทีโดยไม่ยอมให้เวลาสูญเปล่าไปแม้แต่นาทีเดียวทั้งหมดเดินกันไปพลางคุยกันไปพลางทามกลางอารมณ์ตื่นเต้นที่ยังไม่คลายลงโดยง่ายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คราวนี้มารีฮอบมันไม่เดินถไลออกห่างคนของหล่อนอีกหากแต่คอยคุ้มแจเป็นผู้คุ้มกันให้เพราะไม่ไว้ใจต่อสถานการณ์จากบทเรียนที่เห็นสองบ่าวนายพูดภาษาพม่า ก, กันเบาๆไปตลอดทางและรังอยู่ท้ายขบวนรพินเห็นไม่เป็นการปลอดภัยที่จะให้แงซทายซึ่งมีภาระแบกของคู่กับขยินนำไปเบื้องหน้าในภูมิประเทศเช่นนี้ก็ตัดขบวนขึ้นไปเดินนาเองอยู่เบื้องหน้ากระสิบบอกกระเชิดา ให้สั่งน้องสาวให้ขึ้นมารวมกลุ่มอยู่ในขบวนด้านหน้าด้วยเพราะเห็นหล่อนยังทวงฝีเท้าเคียงมากับเพื่อนสาวต่างผิวเมคุมหลังน่ะดีแล้วครับแต่ย้ายคุณหญิงอยู่ในกลุ่มร่างท้ายขบวนนั่นเลยเกิดอะไรขึ้นเราแก้ไขไม่ทันจะไว้ใจเมนักน่ะไม่ได้รายนั้นน่ะเอาตัวรอดได้แน่แต่ย้ายคุณหญิงเป็นภาระของเมด้วยน่ะมันไม่เหมาะเมพวงอยู่แต่คนของตัวเองเท่านั้นและคุณหญิงเองก็ยังไม่คล่องนัก ท่านหัวหน้าคณะเห็นจริงด้วยโบกมือเรียกดารินขึ้นมาตามข้อแนะนำของเขาราชาสกุลสาวจึงเดินกลางอยู่ในระหว่างการขนาบของชัยยันและพี่ชายเหตุร้ายที่เกิดขึ้นทำให้ทั้งหมดไม่อาจวางใจได้อีกต่อไปทุกฝีก้าวย่างที่เดินผ่านกันไปต่างช่วยกันสอดสายสายตาไปตามซอกหินริมทางและเงาชะงอนด้านบนศีสะซึ่งอันตรายอาจแฝงตัวซุ่มอยู่และจู่โจมลงมาถึงตัวได้ทุกขณะ ไรเฟิลทุกระบอบของฝ่ายนายจ้างอันตลอดเวลาส่วนมากสะพายอยู่บนไหล่บัตรนี้ลงมาถือพร้อมอยู่ในมือรู้สึกว่าสัตว์ในแถบนี้ชุกทุกชนิดไม่ว่าสัตว์ร้ายหรือสัตว์ธรรมดาไม่เคยรู้จักคนมาก่อนไม่รู้จักปืนแล้วมันก็ไม่กลัวเราเลยด้วยเชิดฐาตั้งข้อสังเกตอย่างคนละเอียดครับต้องระวังตัวกันให้มากทีเดียวครับมันมีทั้งผลดีและผลร้าย ถ้าเป็นสัตว์ชนิดที่เราต้องการเป็นอาหารก็ทําให้ล่าได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นกวางดาวที่ผมยิงเมกกื่อตะกีนแต่ถ้าเป็นสัตว์ร้ายมันจะไม่หนีเราและจะตรงเข้าเล่นงานทั้งซึ่งหน้าและรับหลังสุดแต่โอกาสของมันบางทีเราอาจไล่หรือหลีกมันเฉยๆอย่างเดียวไม่ได้ต้องยิงทิ้งซะบ้างไอ้เสือซาเบิลที่แง่ทรายยิงเมื่อครู่นี้ผมรู้สึกว่ามันจะตามรอยเลือดของกวางที่หยดตามพื้นมาตั้งแต่ตอนเราล่วงเข้าป่าหินแล้วก็อ้อนมาดักหน้าอยู่ ดีแล้วนะครับที่มันโจมตีสั่งปาซะก่อนถ้ามันดักเล่นงานพวกเราคนใดคนหนึ่งตอนหลังสุดไม่ว่าจะเป็นผมเองคุณชายคุณหญิงเมหรือคุณชายยันตอนที่เราเดินตามหลังพวกลูกหาไปผมก็คงลําบากทีเดียวถ้าเห็นก่อนยิงปะทะไว้ทันก็บุญไปแต่ถ้ามันถึงตัวก่อนคนที่ถูกมันกระโจนใส่ถ้าไม่ตายในทันทีก็สาหัสกว่าจะช่วยกันได้ทันตอนที่มันกระโจนเลยผ่านคุณเชษฐา ตรงเข้ามาที่ผมผมนึกว่าคอขาดแน่แล้วจะยกปืนก็ไม่ทันเห็นมันแยกเขี้ยวร่าเข้าใส่ชายันพูดพร้อมกับหัวเราะอย่างขันขันตัวเองไอ้ผมก็ทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้ร้องวากออกมาสุดเสียงมันคงตกใจเสียงยิ้วของผมอยู่เหมือนกันน่ะและ้วเพนข้ามหัวต่อไปปะทะเมกะน้อยโชคดีกันจริงๆที่ระหว่างเล่นสวนทางมันไม่ได้ขยําพวกเราคนใดเข้าห้ บางทีจะเป็นพระถูกปืนของแง่ทรายเข้าให้ก่อนแล้วเหตุการณ์เมื่อกี้นี้พวกเราน่าจะเจ็บหรือตายกันบ้างนะแต่ปรากฏว่าดวงดีคล้วคลาดกันหมดทุกคนรพินไทร์วันเพียงแต่ยิ้มขึมขึม้เหตุการณ์ผจนภัยในป่าใหญ่ไพรกว้างทุกครั้งที่เกิดขึ้นเมื่อผ่านไปแล้วด้วยความราบรื่นปลอดภัยมักจะมีเรื่องขบขันสนุกสนานตามหลังมาด้วยเสมอเมื่อต่างนึกย้อนไปเห็นภาพของตนเองและบุคคลร่วมคณะอื่นๆ คนเด่ายามตื่นตระหนกตกใจและแสวงหาทางเอาตัวรอดมักจะมีท่าทางไปแปลกๆบางครั้งก็น่าทุเรศเมื่อหวนคิดไปถึงภายหลังแม้กระทั่งจอมพรานขนาดระพินไพรวันเองเขาก็เคยวิ่งอย่างชนิดที่เรียกว่าหูตาปริ้นริอลิล้นห้อยมาสนักต่อ น, นักแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องสามัญธรรมดาที่สุดและสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อยกยกนี้อย่าว่าแต่คณะนายจ้างคนอื่นเลยแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังตั้งตัวไม่ติด มิช้ามีนานเมื่อเวลาล่วงพ้นไปด้วยการเดินและเดินเพื่อรุดไปสู่เบื้องหน้าเหตุตื่นเต้นขวัญหายอันเกิดจากสือเขี้ยวดาบตัวนั้นก็กลายเป็นอดีตที่ไม่มีใครสนใจคำานึงอยู่อีกมันชาชินซะแล้วสำหรับความรู้สึกของคณะเสี่ยงมฤตยูทุกคนใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงเต็มภายในป่าหินอันแลหินครั้งแรกว่ามีบริเวณแคบๆนั้น กว่าจะล่วงเข้าสู่เขตทุ่งหญ้าสลับไปกัะปาโปร่งอีกครั้งคราวนี้เห็นทิวเขาเกือกมาตั้งระงานทอดขวางอยู่เบื้องหน้าในระยะห่างเหมือนจะเอื้อมมือถึงทาให้มองเห็นพื้นภูมิประเทศบริเวณเชิงเขาลูกนั้นและบริเวณโดยรอบซึ่งห่างไกลออกไปรอบด้านได้จะแจ้งกว่าที่จะใช้กล้องส่องทางไกลสำรวจตอนที่อยู่บนเนินสุสานโบราณและเมื่อเข้ามาอยู่ใกล้เช่นนี้แล้ว สันฐานที่แลเห็นว่าเป็นเตาเชิงกรานหรือเกือกมาก็เปลี่ยนแปลงไปจนดูไม่ออกเ <c oughs> พราะรัศมีของจักรสูภาพมนุษย์ตัวกระจ้อยร่อยมองเห็นแผ่กว้างไปไม่ทั่วถึงมิเทาทิวเขาอื่นๆผุดซ้อนอยู่เรียงรายทั่วไปและเส้นทางอันเป็นทุ่งหญ้าทั้งราบต่ำและราบสูงแยกแยะออกไปทั่วทุกด้านสูลูกเขาอันห่างไกลออกไปอีกลิบลิวจดขอบฟ้า ราวกับว่าจะหาขอบเขต ส, สิ้นสุดไม่ได้พรานใหญ่ใช้กล้องสองทางไกลสำรวจเป้าหมายและบริเวณข้างเคียงอีกครั้งพร้อมกับควักเข็มทิศออกมาตั้งเทียบอึดใจเดียวก็ออกนำต่อบ่ายหน้าตัดที่ราบสูงมุ่งขึ้นสู่ตีนเชิงด้านใต้ทันทีกว่าจะบรรลุถึงเป้าหมายและหาชยภูมิพักชั่วคราวลงได้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งพอดี ตามการจับเวลาของเจษฐามันหมายถึงว่าทำเวลาได้เร็วกว่าที่กำหนดไว้ตั้งครึ่งชงั่วโมงสถานที่หยุดพักเป็นเนินลูกหนึ่งทางเชิงเขาเกือกมาด้านใต้ภายใต้ชะ ง, ง่อนผาสามารถมองเห็นทิวทัศน์โปร่งตาออกไปได้ในระยะไกลพอสมควรและโดยไม่จำเป็นจะต้องสั่งใดๆทั้งสิน้นทันทีที่ปลดหาดสำหรัลงจากไหลลูกหาบทุกคนก็ช่วยกันกุลีกูจอพวกหนึ่งหาไม้ก่อไฟ อีกพวกหนึ่งถลกลอกหนังกวางเตรียมย่างทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปอย่างแคล่วคล่องรวดเร็วด้วยความชำนาญและประสานงานกันอย่างกลมเกลียวระหว่างที่คณะนายจ้างลงนั่งพักขาและดื่มน้าจอมพรานไต่ขึ้นไปบนยอดหินลูกหนึ่งใช้กล้องสองทางไกลตรวจอย่างพินิษฐพิเคราะห์ครู่เดียวอีกสี่คนของกลุ่มนายจ้างก็เข้ามาสมทบและเมื่อทุกคนย้อนมองสวนกลับไปทางทิศใต้ที่เดินตัดทางกันมา ก็เลยเห็นภูเขาอันเป็นสุสานโบราณแห่งนั้นมีสุสภาพเป็นเพียงเนินเล็กๆลูกหนึ่งคล้ายๆเต่าหมอบอยู่กลางทุ่งหญ้าและป่าหินสุดขอบฟ้าออกไปเท่านั้นภูมิประเทศมันแปลกตาอย่างบอกไม่ถูกนะหัวหน้าคณะพื้นพำภายหลังจากพินิษไปรอบด้านด้วยเลนย่นระยะขณะนั้นแม้จะเป็นเวลาบ่ายซึ่งแดดควรจะแรงกล้าที่สุดของวันแต่กลับปรากฏว่าทัศนวิสัยคลุมเครือ หน้าพิศวงมีลมเย็นแต่แห้งผากโชยมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะๆะะแผ่นฟ้ามัวมนราวกับใครเอาสีเทาละเลงทาไว้เป็นแถบอันปราศจากระเบียบเราจะตัดไปทางด้านนี้ใช่ไหมประโยกหลังเขาถามพรานใหญ่สุภาพบุรุษแห่งพงไพรดึงแผนที่ลายแทงออกมาจากย่ามหลังอีกครั้งวางแบลงกับพื้นและเทียบวัดด้วยเข็มทิศ ทุกคนที่มุงดูอยู่ในขณะนี้ก็พอจะมองเห็นอะไรได้เลาๆในทันทีเมื่อทั้งเข็มทิศและลายแทงฉบับนั้นหันมุมได้ถูกต้องตรงกันถ้าที่เราอยู่กันในขณะ น, นี้เป็นเขาเกิกมาถูกต้องก็ยี่สิดีกรียเยื่องตะวันตกของทิศเหนือนี่แหละครับที่เราจะต้องตัดไปขณะที่พูดเบาๆจอมพรานชี้มือข้ามเนินไปยังภูมิประเทศอันเป็นภูเขาหินสูงๆต่ำๆด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเท่าที่แลเห็นอยู่ในขณะ น, นี้ราวกับปรางปลามหาปราศาท์และตึกรามอันเบียดเสียดยยดยัดของนครในเทพนิยายและลดมือลงมาใช้ปากกาหมึกแห้งขีดเส้นจางๆเปรียบเทียบให้ดูในลายแทงมา ก, ากระบาดอยู่ในบริเวณของแผนที่ซึ่งระบุไว้ว่าเป็นทะเลสาบมรณะและนี่ครับคือเป้าหมายถัดไปที่เราหวังจะได้พบก่อนจะถึงทะเลสาบมรณะนั่น ไม่มีที่หมายใกล้เคียงกับบริเวณเขาเกือกมาพอให้เราสังเกตเทียบเพื่อคำทางไปเป็นระยะได้บ้างเลยชัยันถามตาจับอยู่ที่แผนที่ขมิงในลายแทงฉบับนี้คุณก็เห็นอยู่แล้วว่าไม่ได้ระบุอะไรไว้อีกเลยนอกจากตำแหน่งอันเป็นทะเลสาบมรณะเท่านั้นส่วนลายเส้นที่ทำขยุกขยิกเอาไว้หมายถึงภูเขาเตี้ยเตี้ยและป่าหินขั้นขวางอยู่ซึ่งก็คงเป็นภูเขาและดงหินกว้างใหญ่ไพศาล ที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าจากภูมิประเทศจริงข้างหน้านี่เองทุกคนมองออกไปยังเป้าหมายเบื้องหน้าอีกครั้งด้วยดวงตาอันเลื่อนลอยครุ่นคิดคล้ายๆดงหินสลับไปกาทะเลทรายที่เคยเห็นในเม็กซิโกดารินพึมพำขึ้นเหมือนกระซิบกล่าวกับตนเองและบางส่วนก็มองดูเหมือนหุบผาแกรนแคนยอนนะมารียสอดขึ้นแผวเบา ชั ย, ยันกระเชิถามองตากันเปลี่ยนไปจับจ้องยังภูมิประเทศซึ่งรู้แน่ว่าจะต้องบุกบันซอกซอนไปและในที่สุดก็แลไปยังพรานนำทางผู้ยิ่งยงขณะนี้บุรุษใจเพชรผู้นั้นลวงซิก้าที่สูบค้างและดับไว้ค่อนตัวออกมาจุดสูบอีกครั้งน่าคิดนะผู้กองท่านหัวหน้าคณะทำลายความเงียบขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มอันบึกบืนทระหดโดยไม่พรั่นต่ออนาคต มันจะเกิดจากสังหรณุปทานอะไรก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะทุกแห่งที่เราผ่านกันมาแล้วผมรู้สึกว่าภูมิประเทศมันดูไม่ลึกลับน่ากลัวเหมือนเช่นที่เราขีดเส้นเพื่อมุ่งจะผ่านเข้าไปนี่เลยลักษณะของมันไม่น่าวางใจยังไงพี่กนป่าดงดิบมองไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันเชียงดีกว่ามีทางเลี่ยงอ้อมไปทางไหนได้ไหมแม้จะไกลไปหน่อยก็ยังดีนะเลือกไอ้ทางที่มันโล่งๆเข้าไว้ก่อนไม่มีเลยครับ คุณชายจะเบี่ยงเบนออกไปอีกสักกี่ดีกรีก็ตามถ้าเข็มของเรามุ่งตะวันตกเฉียงเหนือก็ต้องผ่านดงหินนี่อยู่ดีเว้นไว้แต่จะไปเริ่มต้นกันใหม่ที่เนินสุสานโน่นแล้วก็ตัดตรงตะวันตกก่อนซึ่งก็ไม่ทราบว่าทวกอ้อมเช่นนั้นจะกินเวลาสักแค่ไหนก็เป็นนั้นว่าเราจะต้องตัดเข้าไปในนครหินแห่งเขาวงกดนี่แน่ครับแน่ถ้าเรามุ่งทะเลสาบมรณะในลายแทง แล้วคุณแน่ใจไหมว่าเราจะรักษาแนวยี่สิบดีกรีองศาเหนือได้ตลอดไปโดยตัดเป็นแนวดิ่งเหมือนลากเส้นตรงอย่างที่คุณขีดไว้ในแผนที่ก็ยังเชื่อไม่ได้แน่ในข้อนั้นนะครับอาจมีภูเขาสูงชันหุบหรือเหวขวางเส้นทางทำให้ต้องเลี่ยงอ้อมก็ได้แต่ถึงยังไงก็คงไม่อ้อมเส้นทางเดิมไปมากนะักผมว่าดีกว่าไปตั้งต้นจากที่อื่นนะครับ อยากได้คอปเตอร์สักครื่องจริงๆชายันบ่นไปตามประษาของเขาซึ่งไม่มีใครสนใจเฉษฐายังคงมองที่เดิมด้วยข้ากังวลก่อนที่เขาจะเอ่ยอะไรต่อไปนั่นเองดารินก็โผล่ขึ้นลอยๆว่ามีใครคิดเหมือนฉันบ้างไหมคิดอะไรน้อยชายันถามป่าหินอันสลับซับซ้อนมีเหลี่ยมมุมอำพรางตาอยู่ทั่วไป ทำให้เราไม่สามารถจะสังเกตเห็นอะไรได้ห่างตัวนักดีไม่ดีเราอาจเดินลอดใต้ท้องไอ้มหายักไทรรันนั้นเข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้แล้วกว่าจะรู้ตัวก็คงพลัดหลุดเข้าปากมันไปแล้วทุกคนนิ่งเงียบทำไมจะไม่มีใครคิดอย่างที่ดารินพูดพอมองเห็นภูมิประเทศแบบนั้นต่างก็หวาดระแวงกังวลกันอยู่ทุกคนเว้นไว้แต่ว่าจะไม่มีใครเอ่ยปากพูดขึ้นทั้งนั้น ก็ไม่ใช่สาเหตุคลางใครในข้อนี้หรอกล่ะที่เชษฐาพยายามให้ระพินค้นหาเส้นทางใหม่อยู่ในขณะนี้ระหว่างที่พรานใหญ่ยังเฉยอยู่มาเรียก็พูดขึ้นในความหมายเช่นเดียวกันกับเพื่อนสาวว่าถ้าพบก็แปลว่าระยะกรทันหันมากและไม่ทันรู้ตัวล่วงหน้ายากที่จะหลีกลบทันทีเดียวสมมติกันง่ายๆนะว่ามันซุ่มหลบอยู่ก่อนแล้วหลังก้อนหินใหญ่ลูกใดลูกหนึ่ง ในเส้นทางที่เราจะผ่านไปจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามพอพวกเราเดินใกล้เข้าไปได้ระยะมันก็โผล่อย่างพูดพลาดออกมาเลยอะ่ะยิ่งคิดมากเราก็ยิ่งทำอะไรไม่ได้เลยนะนอกจากนั่งกอดเข่าอยู่กับที่เพื่อรอโชคชะตาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างทุกฝีก้าวย่างมันล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยอุปรสรรคขวางหนามทั้งสิ่ง น, นับตั้งแต่เราออกเดินทางมาแล้วพรานใหญ่ตอบอย่างสงบถ้ามองข้าม หรือไม่ยอมคิดอะไรเสียบ้างเลยก็เรียกได้ว่าประมาทควรจะคาดการณ์สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นและเตรียมหาทางแก้ไขไว้ก่อนล่วงหน้าถ้ามันไม่เกิดขึ้นอย่างที่ระแวงก็ดีไปแต่ถ้าเกิดขึ้นต้องพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ได้ทันทีตามแผนที่ซักซ้อมไว้เสก่อนไม่งั้นจะทําอะไรไม่ถูกแต่แผนแต่ละครั้งก็ต้องขึ้นอยู่กับภูมิประเทศและเหตุการณ์เฉพาะหน้าเป็นระยะระยะไปด้วย เส้นทางเดินของเราระยะต่อจากนี้ไปผมว่ามันไม่น่าไว้ใจอามากๆนะผู้กองผู้พูดคือเชษฐถาผู้รอบครอบมันดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่ท่านทูตาหารบกหัวหน้าคณะแสดงความวิตกกังวลออกมาให้เห็นชัดไม่มีแผนอะไรมากไปกว่าที่เราตกลงซักซ้อมกันไว้ครับคุณชายสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องระวังตัวและเตรียมพร้อมไว้ทุกฝีก้าวย่าง อย่าเรือก็แล้วกันป่าหินทําให้เราเสียเปรียบในด้านที่อาจเดินเข้าไปใกล้ตัวมันโดยไม่ทันเห็นแต่ก็มีผลดีอยู่เหมือนกันในด้านที่เราใช้เป็นที่กาําบังหลบซ่อนตัวได้ทําให้มันรุกไล่ไม่ถนัดอย่าพยายามเข้ายึดที่หลบซ่อนตัวจากก้อนหินเล็กๆ ก, ก, ก็แล้วกันเพราะพลังมหาศาลและขนาดตัวอันใหญ่มาคืมาของมันอาจเคลื่อนหินย่อมย่อมได้ดีไม่ดีหินอาจกลิ้งมาบททับเราซะอีก จงหาที่มั่นให้แข็งแรงเข้าไว้เรื่องนี้อธิบายกันยากขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและไหวพริบเอาตัวรอดของแต่ละบุคคลไปผมสั่งลูกหาไว้ทุกคนแล้วครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างว่าขึ้นเมื่อไรให้พวกนั้นทิ้งสัมภาระและเอาตัวรอดไว้ก่อนทันทีป่าวจบเขาก็หันมองไปยังลานหินเบื้องล่างที่พวกลูกหาทั้งหลายกําลังย่างเนื้ออยู่และบุยปากให้คณะนายจ้างทุกคนดู ร่างอันสูงตระงานของแง่ทรายซึ่งบัตรนี้ยืนห่างกลุ่มพรานพื้นเมืองที่ล้อมวงกองไฟกำลังยืดอกผงาดเนียวคันธนูทดลองสายอยู่คนเดียวเงียบ